ลำดับที่8เมื่อวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2552โดยพระคันชิตคุณวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานเวสกวันจังหวัดนครปฐมเจริมพอ ก็สำหรับในวันอาทิต so, ย so, like hmm kind of ์นี้ก็คิดว่าคงจะมาคุยกันในเรื่องของธรรมะในหมวดง่ายๆกันสักนิดหนึ่งก็คงขออขั้นสักนิดสักอาทิตย์หนึ่งกันแล้วกันก็วันนี้เนื่องจากคุยกันในเรื่องของธรรมะหมวดง่ายๆเผื่อว่าสำหรับเด็กๆที่มาในวันนี้ด้วยก็จะเป็นเรื่องของเล่านิทานให้ฟังกันแล้วกันะอาทิตย์นี้ก็เดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังอ่าถึงสิบเอ็ดโมงเลยถึงเที่ยงเลยแล้วกันก็เป็นนิทานง่ายๆ แต่การนี้เล่าให้ฟังอย่างเดียวมันก็ไม่สนุกนะก็เลยอยากจะให้โยมช่วยเขียนความเห็นตอนนิทานด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาตมาขอยมผู้ชายที่อยู่ข้างหลังช่วยแจกกระดาษสีหนึ่งบะหนึ่งแผน่นแล้วก็กระดาษขาวหนึ่งแผน่นแล้วก็ปากกาด้วยนะยมผู้ชายที่อยู่ข้างหลังท่านใดว่างเดี๋ยวจะไงช่วยตุกขึ้นไปแจกให้นิดหนึ่งนะให้คนละหลายๆแผ่นแล้วค่อยส่งต่อก็ได้นะปากกาก็ให้คนละหลายๆอันแล้วค่อยส่งต่อกระดาษสีหนึ่งแผ่นนะแล้วก็กระดาษขาวหนึ่งแผ่นนะจะเป็นพอ ยมได้รับแล้วช่วยส่งต่อด้วยก็แล้วกันนะเจริญพรปา ก, กาก็กรรมไปทีหลายๆอันเลยนะแล้วค่อยส่งต่ออ้ากมาข้างหน้าบ้างนะเจริญพรกระดาษสีหนึ่งแผ่นกระดาษขาวหนึ่งแผ่นนะ ได้ไรไดนะ้กระดาษสีหนึ่งแผ่นกระดาษขาวหนึ่งแผ่นยังไงวันนี้อยากจะให้โยมช่วยแสดงความเห็นกันหน่อยนะแสะดงความเห็นกันหน่อยก็นะที่จะให้โยมเขียนแสดงความเห็นนี้นะอยากจะให้โยมเขียนตามความเป็นจริงนะอย่างที่โยมคิดอย่างที่โยมรู้สึกเขียนตามความเป็นจะริงอย่างที่โยมคิดอย่างที่โยมรู้สึกอย่างที่โยมคิดอย่างที่โยมรู้สึกแล้วก็ ไม่ต้องส่งอาตมาเพราะฉะนั้นยมเขียนได้เต็มที่เลยเพราะไม่ต้องส่งให้อาตมาะแต่เป็นเพียงเรื่องที่ว่าเออสิ่งที่เรามีอยู่ในใจเราคิดยังไงเรารู้สึกยังไงนะะช่วยเขียนออกมาให้นิดหนึ่งนะมันจะได้ออกมาเป็นรู ป, ปรธรรมหน่อยธรรมะมันจะได้ออกมาเป็นรู ป, ปรธรรมหน่อยไม่งั้นนังน่งนึกิดนังน่งนังน่งนึกนั่งคิดแป๊บเดียวแต่มันก็หายไปละใช่ไหมเออถ้าเราเขียนออกมามันก็จะได้ออกมาเป็นรูปธรรมสักนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวช่วย มีหนะ้ากระดาษสีหนึ่งแผ่นแล้วก็กระดาษขาวหนึ่งแผ่นนะกระดาษสีหนึ่งแผ่นกระดาษขาวหนึ่งแผ่นปากกาคุณละด้ามปากกาคุลด้ามปากกาข้างหลังรู้สึกจะยังมีอีกน ะ, จะเจริญพรรู้สึกข้างหน้าที่จะยังไม่ค่อยมีปากกาช่วยช่วยมาส่งนิดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวปากกาขอข้างหน้าตรงนี้หน่อยนะตรงนี้ยังจะยังไม่มีกันเยอะเลยจเจริญพร อ่าใครยังไม่มีปากกาช่วยยกมือหน่อยจเจริญพรช่วยยกมือเลยใครยังมีปากก า, กกายกมือสูงสูงเลยน ะ, จะเจริญพรอ่าได้อุปกรณ์ครบกันแล้วน ะ, จะเจริญพรกระดาษสีหนึ่งแผ่นกระดาษขาวหนึ่งแผ่นแล้วก็ปากกากระดด้ามนะ เดี๋ยวในคำถามแรกนี้อยากจะให้โยมเขียนลงที่กระดาษสีก่อนนะให้เขียนลงที่กระดาษสีก่อนส่วนคำถามที่2ที่สามจะให้โยมเขียนลงบนกระดาษขาวเข้าใจนะคำถามแรกนี้ที่จะให้โยมถามที่จะให้โยมเขียนบอกความคิดความรู้สึกนี้จะให้เขียนบนกระดาษสีก่อนนะอาบก่อนที่จะไปพูดถึงคำถามบอกแล้วว่าจะน้อมนิทานให้ฟังแล้วให้โยมค่อยเขียนความคิดเห็นนะของโยมนะก็เล่านิทานให้ฟังเลยก็แล้วกัน ถ้าเป็นนิทานก็ต้องเริ่มต้นด้วยอะไรเอ่ยการละครั้งหนึ่ง <c oughs> นะอันนี้จํากันได้แม่นหมดทุกคนนะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากนะบางคนห้าสิบปีบางคนสี่สิบปีสาสิบปียี่สิบปีบางคนนานมาแล้วของเขานะั้นเพงสิบกว่าปีที่ผ่านมานะแต่ก็จะเล่าเรื่องย้อนไปด้วยนะให้นานกว่านั้นด้วยนะอา่าวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีต้นแอปเปิลต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง ต้นแอปเปิลต้นใหญ่เลยนะแอปเปิลต้นนี้ออกผลมาทุกปีนะแล้วก็ทุกๆวันก็จะมีเด็กน้อยคนหนึ่งเขาจะไปเล่นอยู่กับต้นแปอปเปิลนึกถึงเราตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆล็กๆนี่เราก็ชอบไปเล่นใช่ไหมไปปีนต้นแอปเปิลบ้างไปปีนปลายต้นไม้เด็กน้อยคนนี้เวลาหิวก็จะปีนขึ้นไปแล้วก็เด็ดเอาผลแอปเปิลนั้นมากินอย่างอริสอร่อย เวลาเขาอยากเล่นสนุกเขาก็จะโหนกิ่งก้านของต้นแอปเปิลนั้นปีนป่ายอยู่บนต้นแอปเปิลนั้นอย่างสนุกสนานเมื่อเล่นอย่างสนุกสนานกินอิ่มแล้วพอเขาง่วงนอน <ๆ S 1> เขาก็จะลงมานอนใต้ต้นแอปเปิลอย่างมีความสุขเด็กน้อยคนนี้รักต้นแอปเปิลนี้มากต้นแอปเปิลก็เช่นเดียวกันได้มีเด็กน้อยมาเล่นมาปีนป่ายมากินผลไม้ของเขามานอนอยู่ใต้ร่มเงาของเขาเขาก็มีความรัก ความผูกพันในเด็กน้อยคนนี้มากทั้ง ต, น Apple, ต้นแอปเปิ้ลและเด็กน้อยนี้ก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยังไม่จบนะต่อมานะเด็กน้อยคนนี้เริ่มเติบโตขึ้นเมื่อเด็กน้อยเติบโตขึ้นย่างเก็สู่วัยรุ่นเขาก็เริ่มมีเพื่อนใหม่ การที่เขาเคยมาเล่นที่ใต้ต้นแอปเปิลนี้เป็นประจําต่อมาเขาก็ไม่ค่อยได้มาอีกแล้วต่อมาเขาก็ไม่ได้มาเล่นที่ต้นแอปเปิลนี้อีกเลยเพราะเขาโมสารวนเล่นอยู่กับเพื่อนๆสนุกกว่านะไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ไปทํานั่นทนํานี่รู้สึกสนุกกว่าต้นแอปเปิลจึงดูเหงาแล้วก็เศร้าต่อมาอีกนานหลายปี เด็กน้อยคนนี้ก็ได้กลับมาหาต้นแอปเปิลนี้อีกครั้งหนึ่งต้นแอปเปิลเห็นเด็กน้อยซึ่งตอนนี้เริ่มโตย่างเข้าสู่วัยรุ่นต้นแอปเปิลเห็นเด็กน้อยคนนี้เข้าก็รู้สึกดีใจเธอมาหาฉันเธอจะมาเล่นกับฉันอีกใช่ไหมดีใจจังเลยนะเด็กน้อยคนนี้ซึ่งเริ่มโตเป็นวัยรุ่นแล้วก็บอกกับต้นแอปเปิลว่า ฉันไม่ได้มาหาเธอฉันไม่ได้มาเล่นกับเธอหรอกตอนนี้ฉันโตแล้วนะไม่ใช่เด็กๆอย่างเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันอยากได้ของเล่นต้นแอปเปิ้ลเอ๋ยเจ้าให้ของเล่นกับเราได้ไหมต้นแอปเปิ้ลก็บอกกับเด็กน้อยว่าฉันไม่มีของเล่นจะให้เธอหรอกนะฉันเป็นเพียงแค่ต้นแอปเปิ้ลแต่ถ้า เธออยากจะได้ของเล่นให้เธอหยิบให้เธอเด็ดเอาลูกแอปเปิลที่อยู่บนต้นฉันนี่ไปขายสิเมื่อเธอเอาไปขายเธอจะได้เงินแล้วก็จะได้เอาไปซื้อของเล่นที่เธอต้องการเด็กน้อยเป็นยังไงเอ่ยดีใจจะได้ของเล่นนะเขาก็เลยปีนป่ายขึ้นไปบนต้นแอปเปิลเก็บลูกแอปเปิลเสียหมดทั้งต้นเลยแล้วก็เอาลูกแอปเปิลนั้นไปขายได้เงินมา เอาไปซื้อของเล่นเล่นกับเพื่อนเขาแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาหาต้นแอปเปิล น, นั้นอีกเลยต้นแอปเปิลจึงดูเหงาแล้วก็เศร้าการเวลาผ่านไปอีกหลายปีเด็กน้อยคนนี้เริ่มโตเป็นหนุ่มใหญ่เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วเขามีครอบครัวเขาจึงเดินกลับมาหาต้นแอปเปิล น, นั้นอีกครั้ง ต้นแอปเปิลเห็นเด็กน้อยซึ่งตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วนะเป็นหนุ่มแล้วมีครอบครัวแล้วเดินมาหาต้นแอปเปิลนั้นดีใจมากเขาจำได้นี่คือเด็กน้อยที่เคยเล่นกับเขานะเคยทำให้เขามีความสุขเคยมาปีนป่ายเล่นเคยมานอนใต้ร่มเงาของเขาต้นแอปเปิลเห็นเด็กน้อยดีใจจึงพูดทักทายเด็กน้อยด้วยเสียงน้าเสียงอันตื่นเต้นว่า เธอมาหาฉันมาเล่นกับฉันอีกใช่ไหมดีใจจังเลยเด็กน้อยตอบต้นแอปเปิลว่าตอนนี้ฉันเป็นหนุ่มใหญ่แล้วนะฉันมีครอบครัวแล้วฉันไม่ได้มาเล่นกับเธอหรอกฉันไม่สนุกกับการเล่นกับเธอเหมือนตอนเด็กๆแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันอยากได้บ้านเพื่อที่ฉันจะได้อยู่กับครอบครัวของฉัน ต้นแอปเปิลเอ๋ยจเจ้าให้บ้านกับเราได้ไหมต้นแอปเปิลตอบว่าเราไม่มีบ้านให้กับเธอหอกเด็กน้อยแต่ถ้าเธออยากได้บ้านจริงๆให้เธอตัดเอากิ่งก้านของต้นของลำต้นฉันเนี่ยเอาไปสร้างบ้านสิ เธอจะได้ไม้เอาไปสร้างบ้านเด็กน้อยได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจเขาหยิบขวานได้ก็จัดการริกกิ่งก้านทั้งหมดของต้นแอปเปิลจนเหลือแต่ลำต้นเท่านั้นแล้วเขาก็ขนกิ่งก้านของต้นแอปเปิลนั้นจากไปโดยไม่เหลยวกลับมาแล้วเด็กน้อยคนนี้ก็หายไปไม่กลับมาหาต้นแอปเปิลอีกเลยต้นแอปเปิลจึงดูเหงา แล้วก็เศร้าการเวลาผ่านไปอีกหลายสิบปีเด็กน้อยคนนี้เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เดินมาหาต้นแอปเปิลอีกครั้งหนึ่งต้นแอปเปิลเห็นเด็กน้อยเดินมาหาอย่างนั้นก็ดีใจมากดีใจมากพูดทักทายกับเด็กน้อยว่า มาหาฉันมาเล่นกับฉันอีกใช่ไหมดีใจจังเลยนะล็กน้อยคนนี้ซึ่งตอนนี้เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนแล้วก็บอกกับต้นแอปเปิลว่าตอนนี้ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วนะฉันไม่ได้มาเล่นกับเธอหรอกฉันไม่ใช่เด็กๆแล้ว แต่ที่ฉันมาเนี่ยเพราะฉันรู้สึกเหนื่อยและอ่อนล้ากับการทำหน้าที่การงานกับภาระต่างๆที่มีอยู่มากมายในชีวิตเหลือเกินฉันอยากจะไปท่องเที่ยวไกลๆอยากจะล่องเรือไปเที่ยวไกลๆจะได้พักผ่อนอย่างมีความสุขบ้างต้นแอปเปิ้ลเอ๋ยเจ้าให้เรือกับฉันได้ไหมต้นแอปเปิ้ลก็ตอบกับเด็กน้อยว่า ฉันไม่มีเรือจะให้กับเธอหรอกแต่ว่าถ้าเธออยากได้เรือจริงๆให้เธอตัดเอาํำต้นของฉันไปสิแล้วก็เอาไปขุดทำเป็นเรือเธอจะได้แล่นเรือไปเที่ยวมีความสุขได้พักผ่อนอย่างที่เธอต้องการเด็กน้อยได้ยินอย่างนั้นก็เลยเอขวขานนั้นฟันลำต้นของต้นแอปเปิลนั้นจนเหลือแต่ตอ แล้วเขาก็ขุดทาเป็นเรือล่องเรือจากไปเที่ยวยังมีความสุขโดยไม่แม้แต่จะเลียวกลับมามองต้นแอปเปลิลต้นนั้นอีกเลยต้นแอปเปลิลจึงดูเหงาและเศร้าการเวลาผ่านไปอีกหลายสิบปีเด็กน้อยกลับมาหาต้นแอปเปลิลอีกครั้งคราวนี้เขาเริ่มแก่มีอายุอายุได้ห้าสิบแล้ว ต้นแอปเปิลเห็นเด็กน้อยซึ่งตอนนี้เริ่มแก่ตัวผมงอกแล้วเดินมาหาต้นแอปเปิลก็กล่าวทักทายเด็กน้อยเด็กน้อยเ อ, อ๋ยเธอจะมาหาฉันจะมาเล่นกับฉันอีกใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่มีอะไรจะให้กับเธอแล้วนะลูกแอปเปิลเธอก็เก็บไปหมดแล้วกิ่งก้านของฉันเธอก็ตัดเอาไปสร้างบ้านแล้ว แม้แต่ลำต้นของฉันเธอก็ได้เอาไปขุดทำเป็นเรือล่อ ง, งไปเที่ยวแล้วตอนนี้ฉันคงไม่มีอะไรจะให้กับเธออีกแล้วเด็กน้อยบอกกับต้นแอปเปิลว่าตอนนี้ฉันก็ไม่ได้อยากกินโลกแอปเปิลหรอกเพราะฉันไม่มีฟันจะเคี้ยวแล้วละ่ะเรี่ยวแรงที่จะปีนป่ายฉันก็ไม่มีแล้วเรี่ยวแรงที่จะเอาไปท่องเที่ยวในที่ไกลๆอย่างมีความสุขเหมือนเมื่อก่อน ฉันก็ไม่มีแล้วฉันก็ไม่อยากไปแล้วแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินฉันอยากพักผ่อนฉันนอนอยากนอนหลับให้สบายอย่างมีความสุขด้วยความรบอุ่นใจต้นแอปเปิจึงบอกกับเด็กน้อยว่าถ้าอย่างนั้นเธอมาที่นี่สิรากแก่ๆของฉันจะเป็นที่พักพิงให้กับเธอขอให้เธอนอนหลับ หนุนรากแก่ๆของฉันแล้วหลับยังมีความสุขเด็กน้อยจริงล้มตัวลงนอนกับรากของต้นแอปเปิลนั้นแล้วหลับไปอย่างมีความสุขในขณะที่เขานอนหลับนั้นความรู้สึกเก่าๆสมัยเด็กๆก็ผุดขึ้นในใจของเขาสิ่งต่างๆที่เขาเคยเล่นกับต้นแอปเปิลสิ่งต่างๆที่เขาเคยให้กับต้นแอปที่ต้นแอปเปิลเคยให้กับเขาก็ผุดขึ้นมาในใจ เด็กน้อยจึงรู้สึกอบอุ่นมีความสุขที่ได้มาอยู่กับต้นแอปเปิ้ลได้นอนหนุนรากแก่ๆของต้นแอปเปิ้ลแล้วก็หลับไปอย่างมีความสุขยงมฟังเรื่องนี้อาจจะรู้สึกว่าแหมเด็กน้อยเห็นแก่ตัวจากเอ๊แต่อยากจะถามว่าเรากำลังเป็นอย่างเรากาลังเป็นและเรากำลังทำอย่างที่เด็กน้อยคนนั้นทำอยู่หรือเปล่า มีข้อความมีบทความอยู่บทความหนึ่งที่เขาเขียนเอาไว้อาตมาอยากจะเอามาอ่านให้ฟังนิดหนึ่งนะหัวข้อก็คือเรื่องของการขอบคุณ่ข้อความนั้นมีอยู่ว่าเมื่อคุณอายุได้หนึ่งควบเธอป้อนข้าวและอาบน้ําให้คุณคุณขอบคุณเธอด้วยการร้องไห้งองแง ทั้งวันทั้งคืนเมื่อคุณอายุได้สองขวบเธอสอนให้คุณเดินคุณขอบคุณเธอด้วยการวิ่งหนีเมื่อเธอเรียกหาเมื่อคุณอายุได้สามขวบเธอทําอาหารทุกอย่างให้คุณด้วยความรักคุณขอบคุณเธอด้วยการไม่กินทํามันหกเลอะเธอะหรือไม่ก็ปัดจานนั้นทิ้งลงพื้น เมื่อคุณอายุได้สี่ขวบเธอให้ดินสอสีคุณคุณขอบคุณเธอด้วยการระบายสีบนโต๊ะอาหารเสียรัตเธอเมื่อคุณอายุได้ห้าขวบเธอแต่งชุดเก่งให้คุณไปเที่ยวคุณขอบคุณเธอด้วยทำชุดเก่งนั้นเพื้อนโคลนแล้วก็ขนมเสียเลิเธอเมื่อคุณอายุได้หกขวบเธอเดินไปส่งคุณไปโรงเรียน คุณขอบคุณเธอด้วยการร้องไห้งอแงแล้วก็ตะคอกใส่เธอว่าไม่ไปเมื่อคุณอายุได้เจ็ดขวบเธอซื้อรูกบอลให้กับคุณคุณขอบคุณเธอด้วยการไปทหน้าต่างของเพื่อนบ้านแตกเมื่อคุณอายุได้แปดขวบเธอซื้อไอศครีมให้กับคุณคุณขอบคุณเธอด้วยการทำมันหกละเธอไปทัวร เมื่อคุณอายุได้เก้าขวบเธอสอนให้คุณรู้จักจัดเก้าของด้วยตัวของคุณเองคุณขอบคุณเธอด้วยการทำมันรกสียิ่งกว่าเก่าอีกเมื่อคุณอายุได้สิบขวบเธอพาคุณไปส่งทั้งวันตั้งแต่สนามเด็กเล่นสนามบอลยันงานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนคุณขอบคุณเธอด้วยการกระโดดไปหาเพื่อนโดยไม่แม้แต่จะเหลียวกลับมามองและขอบคุณเธอ เมื่อคุณอายุได้สิบสองขวบเธอเตือนคุณว่าอย่าอยู่ดูทีวีให้มันเด็กมากนะักคุณขอบคุณเธอด้วยการมองหเปิงปังรอให้เธอออกไปก่อนแล้วก็ดูต่อเมื่อคุณอายุได้สิบสามเธอแนะนำให้คุณตัดผมตัดเผ้าให้มันดูดีหน่อยคุณขอบคุณเธอด้วยการบอกว่าเธอไม่ทันสมัยเอาเสียเลยเมื่อคุณอายุได้สิบสี่ เธอเอาเงินเก็บเพื่อที่จะซื้อชุดใหม่ให้กับตัวเธอมาจ่ายเป็นค่าเข้าค่ายต่างจังหวัดให้กับคุณคุณขอบคุณเธอด้วยการไม่แม้แต่จะโทรมาหาหรือเขียนจดหมายสักฉบับมาหาเธอเมื่อคุณอายุได้สิบห้าเธอกลับจากบ้านหลังเลิกงานอยากได้กอดคุณสักครั้งคุณขอบคุณเธอด้วยการล็อกตัวเองอยู่ในห้องโดยไม่ออกมาพบเธอ เมื่อคุณอายุได้สิบหกเธอสอนให้คุณขับรถคุณขอบคุณเธอด้วยเอารถไปขับทุกเวลาที่คุณจะเอาไปได้เมื่อคุณอายุได้สิบเจ็ดเธอกําลังรอโทรศัพท์สายสาคัญคุณขอบคุณเธอด้วยการใช้สายนั้นตลอดคืนเมื่อคุณอายุได้สิบแปดเธอร้องไห้ในวันที่คุณเรียนจบมัธยม คุณขอบคุณเธอด้วยการไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อนยันเชา้าเมื่อคุณอายุได้สิบเกเธอจ่ายค่ากวดวิชาขับรถไปรับไปส่งคุณคุณขอบคุณเธอด้วยการบอกลาข้างนอกเพื่อจะได้ไม่อายเพื่อนว่ามีเธอมาส่งเมื่อคุณอายุได้ยี่สิบเธอถามคุณว่ามีแฟนหรื อ, อยัง คุณขอบคุณเธอด้วยการพูดว่ามันเรื่องส่วนตัวของผมไม่เชื่อเรื่องของเธอซะหน่อยเมื่อคุณอายุได้ยี่สิบเหตุเธอแนะนําอาชีพให้คุณสําหรับอนาคตคุณขอบคุณเธอด้วยการบอกกับเธอว่าโตขึ้นมาไม่อยากเป็นอย่างเธอเมื่อคุณอายุได้ยี่สิบสองเธอกอดคุณในวันรับปริญญาร้องไห้ ด้วยความภาคภูมิใจคุณขอบคุณเธอด้วยการบอกกับเธอว่าอยากได้รถใหม่สักคันหนึ่งเอาไว้ขับไปทํางานเมื่อคุณอายุได้23เธอให้เฟอร์เนิเจอร์ตกแต่งในอาพาร์ตเมนต์แห่งแรกของคุณคุณขอบคุณเธอด้วยการบอกกับเพื่อนว่ามันเฉืเ่อยแล้วก็น่าเกลียดเซนนี่กะไรเมื่อคุณอายุได้24 เธอพบกับแฟนของคุณคู่มั่นคู่หมายของคุณและก็ถามคุณของคุณเกี่ยวกับแผนการในอนาคตคุณขอบคุณเธอด้วยการจ้องมองคำม็งแล้วก็บอกกับเธอว่าได้โปรดเถออย่ามายุ่งกับเรื่องนี้ได้ไหมเมื่อคุณอายุได้ยี่สิบห้าเธอช่วยคุณจ่ายค่างานแต่งงานค่าสินสอดร้องไห้และบอกคุณว่า เธอรักคุณมากมายเพียงใดคุณขอบคุณเธอด้วยการย้ายออกจากบ้านไปอยู่กับแฟนสองต่อสองเมื่อคุณอายุได้สามสิบเธอโทรมาหาพร้อมกับแนะนำคุณเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงลูกคุณขอบคุณเธอด้วยการบอกว่าดลี้งอย่างนั้นไม่ได้หรอกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อคุณอายุได้สี่สิบ เธอโทมาเตือนความจําคุณเกี่ยวกับวันคล้ายมันเกิดญาติคุณขอบคุณเธอด้วยการบอกว่าตอนนี้คุณไม่มีเวลาเมื่อคุณอายุได้ห้าสิบเธอเริ่มชราและไม่ค่อยสบายต้องการคนดูแลคุณขอบคุณเธอด้วยการบอกกับเธอว่ามันเป็นภาระมากแค่ไหนที่จะต้องดูแลเธอ เพราะคุณก็มีครอบครัวมีลูกๆและมีภาระต่างๆที่ต้องดูแลมากมายอยู่แล้วและแล้ววันหนึ่งเธอก็จากไปอย่างสงบร้องเรียกไปนะร้องเรียกให้ตลอดคืนเพราะวันเวลาเหล่านั้นวันไม่มีวันที่จะหวนกลับมาหาคนอีกอยากจะให้โยมลองคิดดูนะว่าสิ่งต่างๆ ท่าที่อาตมาได้เล่าให้มาฟังมานี้เราได้ทำอะไรไว้อย่างนั้นบ้างหรือเปล่าลองใช้เวลาสักนิดนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่รักและดูแลเรามาตลอดนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายที่รักเราด้วยความจริงใจแล้วก็ให้เรามาตลอดเราได้แสดงออกกับเธออย่างไรบ้างเราได้แสดงออกกับเขาอย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้นอาตมาอยากให้โยมช่วยเขียนนิดหนึ่งสิ่งที่โยมอยากจะขอโทษกับผู้ชายคนนั้นผู้ชายที่เรามักจะเรียกกันติดปากว่าพ่อสิ่งที่โยมอยากจะให้ผู้หญิงคนนั้นให้อภยัยสิ่งที่เรารู้สึกผิดที่เราเคยทํากับเข้ามาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงวันนี้ผู้หญิงคนนั้นที่เรามักจะเรียกกันติดปากพ่อแม่มีอะไรบ้าง ยมช่วยเขียนออกมานะนึกออกมาให้หมดเลยตั้งแต่เด็กๆมาจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้ขอให้ขึ้นต้นว่านะผมหรือหนูอยากจะขอโทษที่ผมหรือหนูเคยทำแล้วก็เขียนลิสต์มาเลยมีอะไรบ้างนะงั้นเขียนลงบนกระดาษสีช่วยเขียนตามความเป็นจริงด้วยไม่ต้องส่งให้อัตมานะอยากเก็บมันไว้ในใจ ถ่ายทอดมันออกมาเป็นตัวหนังสือให้หมดน ะ, จะเจริญอรอ้าวเดี๋ยวให้เวลาสักห้านาทีอายอมช่วยเขียนเลย ช่อเขียนออกมาให้มากที่สุดนะอาจจะมีเวลาไม่มากเท่าไหร่เราคิดอะไรได้ลองเล็กไว้เลยนะสิ่งที่อยู่ในใจของเรานะเขียนออกมาให้เป็นตัวอักษรให้หมดเราจะได้ไม่ต้องเก็บมันไว้ใน ใ, นใจอีกนะ เรารู้สึกในผิดเรารู้สึกผิดในเรื่องไหนอยากขอโทษเรื่องอะไรบ้างมีเวลาให้โยมอีกสักหนึ่งนาทีนะจะเนพอ เขียนแล้วเราเอาไว้อ่านเองอยู่กับตัวเรานะเพราะฉะนั้นเขียนตามความเป็นจริงอย่างที่เรารู้สึกจริงๆไม่ต้องส่งให้อัตมานะเราจะได้เรียนรู้ตัวเอง สมควรกับเวลาน ะ, จะเจริญพรอ่อาวฟังนิทานต่อกันแล้วกันนะฟังนิทานต่อกันแล้วกันเดี๋ยวจะให้ช่วยเขียนแสดงความเห็นนะกระดาษสีเอาเก็บไว้ด้านหลังกระดาษขาวเลยนะต่อไปนี้ให้เขียนลงในกระดาษขาวทั้งหมดน ะ, จะเจริญพรอ้อาวฟังนิทานต่อ น, นิดหนึ่งนะอยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครอบครบัวนี้นะ มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลกูกเป็นลูกสาวลูกสาวนั้นก็เป็นปกตินะเด็กอายุประมาณสักสิบสองขวบนะก็ชอบไปเที่ยวห้างสรรพสินค้ายิ่งมาวันหนึงเธอไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเธอไปเห็นตุ๊กาตาหมีภูตัวใหญ่เธออยากได้มากพอกลับมาถึงบ้านเสร็จก็วิ่งไปหาแม่นะไปอ้อนคุณแม่แม่หนูอยากได้ตุ๊กาตาหมีภูเนี่ยแม่ซื้อให้หนูหน่อยสิ แม่ก็ถามลูกสาวว่าอ่าแล้วตุ๊กตามรรตัวเท่าไหร่ละ่ะตัวละสองพันห้าเนี่ยข้าวคนนี้ฐานหน้าปานกลางสองมาห้าซื้อให้ไหวไหมไม่ไหวนะสิบสองขวบเองนะจะเอาของเล่นราคาต้องสองพันห้าแม่ก็เลยบอกกับลูกสาวว่าเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะเอาไว้ให้หนูโตกว่า น, นี้ค่อยเล่นกันแล้วกันมันแพงลูกสาวาอยากได้มากยอมไหม ไม่ยอมแล้วก็อ้อนคุณแม่ะหนูอยากได้นะแม่ต้องซื้อให้หนูจะทําให้หนูทําอะไรอะ่ะหนูก็ยอมนะตัวหนูอยากได้จริงๆคุณแม่ก็ไม่ยอมซื้อให้ลูกสาวก็เลยโกรธคุณแม่เดินลงซ่อนปึ้งปึงปึ้งเข้าห้องปิดประตูปังแล้วไม่ออกมาพบกับคุณแม่ไม่ยอมคุยด้วยนอนแล้วแม่ไม่ซื้อตุกก๊กตาให้แสดงว่าแม่ไม่รักเวลาผ่านไปได้ สักครู่ใหญ่ๆลูกสาวก็เดินออกมาหาคุณแม่เดินออกมาเสร็จก็นั่งหงิกนั่งงอออกมาคุณแม่เห็นหน้าลูกสาวก็รู้ว่ากําลังโกรธอยู่ก็เลยถามว่าลูกมีอะไรเหรอลูกสาวก็เลยยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้คุณแม่อ่ะแม่แม่รับกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาอ่านข้อความที่ลูกสาวเขียนถึงคุณแม่นั้นมีอยู่ว่า ถึงแม่ลองดูสิถ้าโยมเป็นเด็กในโยมจะเขียนว่าอย่างไงอยากได้ตุ๊กาตามิโพข้อที่หนึ่งค่ารดน้ำต้นไม้ค่าช่วยแม่ตัดหญ้าสนามหน้าบ้านค่าช่วยแม่ดูแลสวนหนูคิดค่าแรงแม่ห้าร้อยบาทเอาคนทำงานก็ต้องได้เงินดีใช่ไหมได้ค่าแรงเออมันเด็กมันก็ฉลาดนะ เอาไปห้าร้อยบาทยังไม่พอดนะิข้อที่สองค่าช่วยแม่ทำกับข้าวชาค่ายกสำรับค่าล้างถ้วยล้างจานค่าช่วยแม่ล้างแก้วน้ำหนูคิดค่าแรงแม่ห้าร้อยบาทข้อที่สามค่าช่วยแม่กวาดบ้านถูบ้าน ค่าช่วยแม่จัดของในบ้านให้สะอาดสะอา้านหนูคิดค่าแรงแม่5 0าร้อยบาทข้อที่สี่ค่าตั้งใจเรียนหนังสือค่าสอบให้ได้คะแนนดีๆเป็นไหมสอบได้แล้วจะต้องขอเงินแม่เนี่ยค่าสอบให้ได้คะแนนดีๆค่าทำกันบ้าน นี่เป็นภาระของหนูนะักอุตสาห์ทำเพื่อแม่แม่มังครับทุกวันหนูคิดค่าแรงแม่ห้าร้อยบาทได้เท่าไหร่ละสอง0ันละยังไม่พอนะข้อที่ห้าค่าช่วยแม่ต้อนรับแขกค่าทำตัวให้เรียบร้อยเวลามีแขกมาบ้านเวลามีญาติมาพักที่บ้านเพราะแม่บอกเป็นประจำนี่กำชับอยู่ด้วย หนูคิดค่าแรงแม่ห้าร้อยบาทได้แล้วตุ๊กตาหมีนะเธอก็เลยนเขียนสรุปมาอย่างนี้ว่ารวมทั้งหมดคือค่าแรงของหนูที่แม่จะต้องจ่ายให้หนูรวมเป็นเงินสองพันห้าร้อยบาทากะว่าได้แน่นะตุ๊กตาหมีผูกกลัวแม่ไม่ให้เด็กสมัยใหม่เธอเขียนลงท้ายนิดหนึ่งว่าปอลอปอลออนี่ย่อ ม, มาจาก ปรดอย่าลืมนะแม่กลัวไม่จ่ายสิบสองคนคงยังไม่รู้จักกับป๋ชิมนิคิดตอนหอโปรดอย่าลืมนะแมนะ่ถ้าแม่ไม่จ่ายค่าแรงให้หนูต่อไปนี้หนูจะไม่ช่วยแม่ทำสิ่งเหล่านี้ละแม่ลำบากแน่เลยนะนะลงชื่อลูกนะคุณแม่อ่านเสร็จนะรู้ว่าลูกอยากได้ตุ๊ ก, กตาหมีพูม่า แต่ว่าลูกก็ต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างด้วยคุณแม่ทนันทีมองหน้าลูกสาวแล้วเธอก็ยิ้มออกมาไอ้ลูกสาวก็ดีใจกลับว่าแม่จเงินแน่ <c oughs> คุณแม่ก็บอกกับลูกสาวบอกว่าหนูรอแม่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะแล้วเธอก็เดินไปที่โต๊ะหยิบ ป, ปากกาขึ้นมาพลิกกระดาษแผ่นนั้นไปที่ด้านหลังแล้วเริ่มลงมือเขียนให้กับลูกสาวบ้างอา้าเป็นคุณแม่จะเขียนว่ายังไง นะคุณลูกคิดฆ่าแรงแม่แล้วนี่ <c oughs> นะเขียนเสร็จแล้วคุณแม่ท่านนี้ก็เดินมาแล้วก็ยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้กับลูกสาวลูกสาวรับกระดาษแผ่นนั้นมาอ่านดูข้อความที่คุณแม่เขียนเอาไว้ข้อความที่คุณแม่ท่านนี้เขียนมีอยู่ว่าถึงลูกที่รักของแม่ ข้อที่หนึ่งค่าคุ้มท้องค่าแพ้ท้องค่าความเจ็บปวดของแม่ในวันที่แม่คลอดลูกออกมาค่าความเสียงตายของแม่ในวันที่แม่ให้กำเนิดลูกแม่ไม่คิดเงินลูก เลยสักบาทข้อที่สองค่าน้ำนมค่าเปลี่ยนผ้าอ้อมค่าทำความสะอาดตัวลูกในยามที่ลูกขับถ่ายค่าอดหลับอดนอนที่แม่ต้องตื่นขึ้นมาดูลูกทุกครั้งที่ลูกร้องไห้ค่าอุ้มลูกค่ากลมลูกแม่ ไม่คิดเงินลูกเลยสักบาทข้อที่สามค่าอาหารค่าเสื้อผ้าค่าของเล่นค่าพาลูกไปเที่ยวอย่างที่ต่างๆที่ลูกอยากไปแม่ไม่คิดเงินลูกเลยสักบาท ข้อที่สค่าน้ำตาค่าความห่วงใยค่าดูแลเอาใจใส่ในยามที่ลูกป่วยไข้ค่าการให้อภัยที่แม่มีให้ลูกทุกครั้งไม่ว่าลูกจะทำผิดแค่ไหนค่าปลอบโยนให้กำลังใจในยามที่ลูกปิดหวังท้อแท้แม่ ไม่คิดเงินลูกเลยสักบาทข้อที่ห้าค่าความกังวลในอนาคตของลูกค่าจำใจจำใจให้ลูกศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้ลูกเติบโตขึ้นมามีอนาคตที่ดีและพึ่งตัวเองได้ค่าขนขวายให้ลูกได้รับแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตเท่าที่แม่จะทำให้กับลูกได้แม่ ไม่คิดเงินลูกเลยสักบาทรวมทั้งหมดคือความรักของแม่ที่แม่มีต่อลูกแม่ก็ไม่คิดเงินลูกเลยสักบาทจากแม่ลูกสาวหลังข้อความที่คุณแม่เขียนให้จบลง ความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอในขณะที่เธอเรียกร้องอยากได้นั่นได้นี่เธอลืมไปว่าแม่ของเธอนั้นให้เธอมามากแค่ไหนเหนื่อยเพื่อเธอมามากเพียงใดเมื่อเธออ่านจบลงก็มีน้าใสๆค่อยๆเ อ, อ่ยล้นมาจากในตาของเธอเธอโผลเข้ากอดแม่ของเธอพร้อมกับบอกกับแม่ของเธอว่าแม่จ่ายให้หนูหมดแล้ว นูรักแม่ที่สุดในโลกเลยท่นนี้ก็เป็นเรื่องราวของครอ บ, รบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งอตาตมาคิดว่าโยมทุกๆคนก็เคยได้รับสิ่งเหล่านี้มาแล้วทุกคนแล้วท่านก็ไม่เคยคิดเงนโยมเลยสักบาทเช่นเดียวกันมีเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เข้าเขียนเอาไวนะ้เกี่ยวกับเรื่องของการโกหกของคุณแม่แต่เป็นการโกหกที่เขาจะไม่มีบันลืมเลยในชีวิต อาตมาอยากจะเอามาเล่าให้โยมฟังนิดหนึ่งเขาเขียนเอาไว้อย่างนี้ว่าเรื่องเริ่มเมื่อตอนที่ผมเป็นเด็กๆผมเกิดในครอบครัวยากจนครอบครัวเรายากจนมากจนต้องอดมือกินมือเมื่อไรก็ตามเมื่อถึงเวลากินข้าวแม่มักจะตักข้าวมาให้ผมเพิ่มอีกแบ่งข้าวมาให้ผมเพิ่มอีกแม่บอกกับผมว่า ลูกต้องกินข้าวเพิ่มขึ้นนะส่วนแม่วันนี้ไม่ค่อยหิวนี่เป็นครั้งแรกที่แม่โกหกผมเมื่อผมเติบโตขึ้นมาคุณแม่เพียรพยายามไปที่แม่น้ำเพื่อหาปลาเพื่อที่ว่าผมจะได้กินอาหารที่มีโปรโตีนบ้างและก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายต่อการเจริญเติบโตของผมคุณแม่ไม่ได้ปลามา ก็จะต้มปลานั้นทําเป็นซุปให้ผมกินท่านจะแกะเอาเนื้อปลานั้นมาใส่ในจานข้าวผมให้ผมกินส่วนท่านนั้นก็จะนั่งแทะเลมเศษเนื้อที่ติดอยู่กับก้างปลาหลังจากที่ผมได้กินเนื้อปลาผมรู้สึกตื่นตันในสิ่งที่แม่ให้ผมมากผมพยายามตักเนื้อปลาแบ่งเนื้อปลาให้กับแม่แม่กินเนื้อปลาบ้างสิ แต่แม่จะตอบผมว่าลูกกินเถอะแม่ไม่ค่อยชอบเนื้อปลาลูกกินให้อิ่มเถอะนี่เป็นครั้งที่สองที่แม่โกหกผมเมื่อเรียนอยู่มัธยมเราต้องใช้เงินเพิ่มคุณแม่ผู้น่าสงสารก็ต้องไปรับงานเล็กๆน้อยๆรับตัดเย็บจากโรงงานข้างๆบ้านมาทำในตอนกลางคืน นอกจากงานประจำที่คุณแม่ต้องทำเป็นประจำเพื่อจะได้มีเงินมากพอที่จะส่งผมเล่าเรียนหนังสือคุณแม่ต้องทำงานตื่นตื่นทุกคืนแทบไม่ได้มีเวลานอนผมตื่นขึ้นมาตอนตีหนึ่งตีสองบางทียังเห็นแม่ยังนั่งเย็บผ้าอยู่แม่ครับนอนเถอะแม่ทำงานมาทั้งวันแม่ก็เหนื่อยมากพอแล้วอย่าผมอย่างนี้เลย ผมบอ ก, กับคุณแม่อย่างนี้ <c oughs> แม่ยิ้มกับผมพร้อมกับพูดว่า <c oughs> ลูกนอนตอ่อนอนต่อก่อนเถอะแม่ยังไม่เหนื่อยอีกอย่างวันนี้แม่ไม่ง่วงนอนไม่หลับมาทําอะไรที่มีประโยชน์ดีกว่าครั้งที่สามแล้วนะที่แม่โกหกผมเมื่อตอนใกล้รินจบมัธยมผมต้องไปสอบเป็นวันสุดท้าย แม่อุตสาหยุดงานเพื่อไปเป็นกำลังใจให้กับผมวันนั้นแดดร้อนมากๆอากาศทบเ้าแม่ต้องนั่งรออยู่ข้างนอกเป็นเวลาหลายชั่วโมงเมื่อผมสอบเสร็จผมรีบออกมาหาแม่ผมเห็นเหงื่อออกเต็มตัวของแม่แต่ท่านกับปริน้ำเย็นที่เตรียมมาให้ผมดื่มผมเห็นแม่ว่าแม่กําลังร้อนอยู่จึงยื่นให้แม่ดื่มก่อน แม่พูดขึ้นว่าลูกดื่มเธอแม่ตอนนี้ยังไม่ค่อยอยากหิวน้ำเลยนี่เป็นครั้งที่สี่ที่แม่โกหกผมหลังจากที่พ่อล้มป่วยลงแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดคุณแม่ก็ต้องพยายามทำงานหนักมากขึ้นเพื่อหารายได้มาจุนเจื้อครอบครัวแต่ก็ยังไม่ค่อยจะพออยู่ดีคุณลงข้างบ้านนั้น เป็นคนที่มีจิตใจดีงามมากมักจะมาช่วยเหลือครอบครัวเราเป็นประจำแล้วก็ดูจะชอบคุณแม่อยู่เหมือนกันเพื่อนบ้านพยายามแนะนำให้แม่แต่งงานใหม่ผมเองก็เห็นด้วยเพราะไม่อยากเห็นแม่ลำบากอย่างนี้แม่น่าจะมีใครคอยดูแลบ้างแต่แม่กลับตอบผมว่าแม่มีลูกอยู่ทั้งคนแล้วแม่ไม่ต้องการความรักจากใครอีก นี่เป็นครั้งที่ห้าแล้วที่แม่โกหกผมในที่สุดผมก็เรียนจบได้งานทาผมอยากให้แม่ซึ่งรักตามทางานมาตลอดได้หยุดพักบ้างแต่แม่กลับไม่ยอมกลับไปตลาดทุกเช้าขายผักที่หามาได้เป็นรายได้จนเจือตัวเองผมส่งเงินกลับมาให้แม่ทุกเดือน เพราะว่าผมต้องไปทํางานต่างจังหวัดแต่แม่กลับส่งเงินกลับให้ผมไม่ค่อยจะยอมรับเงินของผมแม่พูดกับผมว่าลูกเพิ่นทํางานรายได้ยังไม่เยอะลูกเก็บเงินของลูกเอาไว้สร้างฐานะของลูกเถอะต่อไปลูกต้องมีครอบครัวนนะแม่นั้นมีเงินใช้จ่ายพอแล้วล่ะแม่ก็หกผมเป็นครั้งที่หก เพื่ออนาคตอันก้าวหน้าผมตัดสินใจไปเรียนต่อที่ประเทศอเมริกาด้วยทุนของรัฐบาลเมื่อเรียนจบผมก็หางานทําที่นั่นผมอยากให้แม่ได้พักผ่อนบ้างได้มาอยู่กับผมอย่างสบายผมจึงชวนแม่มาอยู่ด้วยที่อเมริกาแต่ว่าแม่ไม่อยากรบกวนผมไม่อยากจะเป็นภาระกับผมแม่บอกกับผมว่า แม่ไม่คุ้นเคยกับการอยู่ต่างประเทศแม่อยู่ที่นี่สบายดีแล้วลูกอยู่ให้สบายเถอะครั้งที่เจิตแล้วสินะที่แม่โกหกผมเมื่อแม่แก่ตัวลงเรื่อยๆความที่แม่ทำงานหนักมาตลอดไม่ค่อยได้พักผ่อนก็ทำให้แม่ล้มป่วยลงคุณหมอตรวจพบว่าแม่เป็นโรคมะเร็ง ซึ่งตอนนี้ลามไปทั่วตัวแล้วเมื่อผมทราบข่าวผมรีบลางานกลับมาหาแม่สุทธิรัก์ของผมทันทีผมเห็นแม่นอนพักฟื้นอยู่บนเตียงร่างกายแม่ดูสู้ผอมหน้าตาอิดโรยท่านดูสุดซมลงไปมากน้ำตาผมไหลห า, าบแก้มไม่เห็นสภาพของแม่ตอนนี้ แม่ลืมตาขึ้นมามองเห็นผมแม่รู้สึกดีใจมากพยายามฝืนยิ้มด้วยความสดชื่นผมเข้าไปกอดแม่แล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความสงสารในอาการของคุณแม่แต่แม่กลับบอกปลอบผมว่าแม่ไม่เป็นอะไรหรอกแค่เห็นหน้านลูกแค่นี้ แม่ก็หายเจ็บแล้วล่ะทั้งๆ ท, ที่ผมรู้ว่าคำพูดแต่ละคำที่เอ่ยออกมานั้นท่านต้องฝืนความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างแสนสาหัสอันเนื่องจากอาการของโรคที่แม่เป็นนี่เป็นครั้งที่แปดที่แม่โกหกผมและเป็นครั้งสุดท้ายที่แม่โกหกผมด้วยเพราะท่านจากไป พร้อมกับการโกหกครั้งที่แปดของท่านอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเขียนเล่าเอาไว้มันจะเห็นว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้เรามานั้นมันมากมายแตเกิน ย, ยอมได้ทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีความสุขยอมได้ทุกอย่างจริงหรือเปล่าอาตมามีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเล่าให้ยงฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายหลายสิบปีผ่านมาแล้ว เกิดขึ้นที่ประเทศจีนที่มณฑลซสื่อฉวนที่จังหวัดซสื่อฉวนก็ใช่คำว่าจังหวัดซสื่อฉวนเมื่อหลายสิบปีที่แล้วถ้าโยมยังจาได้มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนในครั้งนั้นมีผู้คนร ล, ล้มตายไปกว่าสาเหมื่นคนบ้านเรือนเสียหายนับแสนหลังมีผู้คนต้องพลัดพราก แล้วก็หมดเนื้อหมดตัวซิเนื้อประดาตัวเสียชีวิตแล้วก็พัดพรากจากญาติมิตรรวมถึงคนที่รักในครั้งนั้นทีมหน่วยกู้ภยัยก็พยายามเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่พยายามรื้อรากปรักหักพังทั้งหลายเพื่อที่จะค้นหาผู้ที่ยังคาดว่าจะรอดชีวิตมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาค้น หรือซากปรับหักพังนั้นขณะที่กำลังรื้อเอากาแพงซึ่งถล่มลงมานั้นออกเขาก็ได้พบหลังของผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางของผู้หญิงคนนี้ดูจากภายนอกรู้ได้ทันทีว่าเสียชีวิตแล้วเธอนอนคุดคูอยู่เหมือนกําลังจะกําบังกาแพงนั้นไม่ให้หลนทับอะไรบางอย่าง เมื่อทีมงานหน่วยคู่ภายนั้นยกร่างของผู้หญิงหญิงนี้ขึ้นมาเขาก็พบกับภาพที่น่าสะเทือนใจยิ่งกว่านั้นก็คือใต้ผู้หญิงคนนั้นมีเด็กตัวเล็กๆกำลังดูดนมผู้หญิงคนนั้นอยู่ใช่เด็กคนนั้นรอดชีวิตแต่ว่าแม่ของเขานั้นได้สละชีวิตเพื่อปกป้องเขาไว้แล้ว ที่มีของผู้หญิงคนนั้นเธอกำโทรศัพท์มือถืออยู่ไว้แน่นเมื่อหน่วยคู่พายหยิบโทรศัพท์มือถือนั้นออกมาดูก็พบว่ามีข้อความเป็นเอ s เอ็มพ์เอาไว้เพื่อบอกลูกน้อยสุที่รักไว้ข้อความนี้เป็นข้อความสั้นๆที่กลัออกมาจากจะหัวใจของแม่ กู้กำลังจะสิ้นชีวิตเพื่อส่งผ่านความรักแบบไร้เงื่อนไขไปให้ลูกของเธอข้อความในหน้าจอมือถือนั้นมีอยู่ว่าลูกรักของแม่ถ้าลูกมีชีวิตรอดแม่อยากให้บอกให้ลูกรู้ว่าแม่รักลูกมาก อย่าใชใ่โยมลองทบทวนลองใช้เวลาสักนิดคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งและผู้ชายคนหนึง่งแสดงออกให้เห็นถึงการที่เรารู้สึกขอบคุณท่านเรารู้สึกถึงสิ่งดีๆที่ท่านทำให้กับเราแม้จะไม่ได้แสดงออกด้วยคำพูดก็ตามบางครั้งอาจจะไม่ใช่คนที่เข้าใจเรามากที่สุด ไม่ใช่คนที่รู้ใจเราหมดทุกเรื่องและอาจจะไม่เห็นด้วยกับความคิดของเราแต่ว่าท่านนั้นเป็นคนที่รักเรามากที่สุดยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราแม้กระทั่งชีวิตเพื่ออนาคตที่ดีงามของคุณท่านยอมเสียสละได้ทุกอย่างลองถามตัวเองสิ เราเคยนึกถึงความเศร้าวความกมังวลใจของท่านทั้งสองบ้างไหมเราเคยถามท่านไหมเคยคิดถึงความเหนื่อยยากของท่านบ้างไหมเราเคยขอบคุณในสิ่งดีๆที่ท่านได้ทําให้กับเราบ้างหรือเปล่าเราเคยบอกรักท่านบ้างหรือเปล่ารักท่านให้มากแม้ว่าความเห็นเราจะแตกต่างเพราะว่าไม่มีใครรักเราจริง เท่ากับท่านทั้งสองเราเรารู้สึกอย่างไรทำไมไม่บอกออกไปไม่ทำออกไปจะรอเวลาให้ท่านจากไปแล้วค่อยมาบอกค่อยมาข้าคุณทีหลังมันจะได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นอยากให้โยมเขียนว่าโยมรู้สึกขอบคุณอะไรในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทำให้กับเราบ้างขึ้นต้นว่า ผมหรือหนูขอบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่อ่าแล้วก็โยมก็เขียนไปเลยท่านทำอะไรให้กับเราที่เรารู้สึกขอบคุณที่เรารู้สึกซาบซึง้งที่เรารู้สึกประทับใจตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเดี๋ยวให้เวลาโยมประมาณสักห้านาทีอยากบอกขอบคุณท่านเรื่องอะไร เรารู้สึกซาบซึ้งในสิ่งใดที่ท่านทําให้กับเราโยมช่วยเขียนด้วยนะโยมท่านใดไม่มีกระดาษช่วยมาหยิบกระดาษที่ด้านหลังพร้อมกับปากกานะอันนี้ให้หยิบกระดาษขาวนะเขียนลงบนกระดาษขาวนะะเจริญพรหนูอยากขอบคุณคุณพ่อหรือคุณแม่ ที่คุณพ่อคุณแม่แล้วทำอะไรให้กับเราบ้างสิ่งที่เรารู้สึกประทับใจนึกถึงตั้งแต่สมัยเราเด็กๆเลยนะ ออกมาให้หมดเลยนะอย่าเก็บมันไว้ในใจนะเก็บไว้นในใจมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอก เขีนออกมาให้ละเอียดเท่าที่เราจะนึกได้เลยนะถ้าครั้งนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้บอกขอบคุณท่านอยากขอบคุณท่านเรื่องอะไรบ้าง คุณ ิออกมาให้หมดเลยนะการออกมาจากใจของเราอย่างที่เราคิดอย่างที่เรารู้สึกเนี่แหละลองนึกถึงสิ่งดีๆที่ท่านเคยให้เราเคยทำกับเรา เวลาอกสัตว์นึ่งนะที่นั จเจริญทอน เ, เขาก็คิดว่าเขียนได้พอสมควรแล้วนั้นเองจากเวลาเรามีจํากัด น, น ะ, จะเจเิญทอนก็วันนี้เล่านิทานให้ฟังอย่างเดียวเล่าเล่าเรื่องราวให้ฟังอย่างเดียวมีอยู่อีกเรื่องราวหนึ่งที่อาตมาเคยอ่านเจอเอามาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งกาแล้วกันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ตั้งต้นไว้เรื่องราวของเขาด้วยคําถาม ซึ่งอาจจะเหมาะกับวัยรุ่นก <c oughs> ็ถามอย่างนี้ว่าเคยหกหักกันบ้างไหมครับแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าผมน่ะเคยอกหักมาหลายครั้งแล้วแต่ละครั้งก็รู้สึกจะสาหัสขึ้นเรื่อยๆครั้งล่าสุด ท, ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนี้ก็เช่นเดียวกันผมซึมเศร้าแทบไม่พูดไม่จา ใช้ชีวิตแบบพลานเวลาไปวันๆเลิกงานก็ไปกินเหล้าเพื่อให้ลืมความเศร้าและความเจ็บปวดที่ผู้หญิงคนนั้นทิ้งผมไปถึงบ้านก็หมกตัวอยู่แต่ในห้องนอนไม่คุยกับใครรวมทั้งแม่ผมด้วยจนเช้าวันหนึ่งแม่เข้ามาในห้องนอนของผมชวนผมคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ผมก็ตอบแต่ขอไปที แม่ก็ยังชวนคุยไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมรู้สึกรำคาญจนมาถึงเรื่องของความรักแม่บอกผมว่าแม่เห็นลูกอกหักมาหลายครั้งผู้หญิงที่ลูกชอบที่ลูกหามานั้นก็ทิ้งลูกไปทุกคน แม่จะแนะนำผู้หญิงคนหนึ่งให้กับลูกดีไหมผู้หญิงคนนี้เธอทำกับข้าวเป็นดูแลบ้านได้และพร้อมที่จะ ด, ดูแลลูกเสมอหน้าตาเธอนั้นไม่สวยเหมือนกับผู้หญิงที่ลูกเคยชอบชอบมาออกจัทุวมนิดนิดมีอายุมากหน่อย แต่ที่สำคัญคือเธอรักผมมากกว่าใครๆแน่เธอไม่ได้อยู่ไกลลูกหรอกแต่เธอนั่งอยู่ข้างๆลูกนี่แหละแล้วแม่ก็เอื้อมมือมาแตะที่มือของผมพร้อมกับพูดว่าลูกลูกพอจะลองรัก ผู้หญิงคนนี้ดูบ้างสักนิดได้ไหมน้ำตาของแม่เริ่มคลอผมพูดอะไรไม่ออกได้แต่เข้าไปกอดแม่นิ่งแทนคำตอบในขณะที่ผมวิ่งหาความรักอยู่มากมายแต่ผมกลับลืมไปว่า ยังมีอีกคนหนึ่งที่รักผมมาตลอดดูแลผมมาตลอดรักผมอย่างสุดหัวใจและไม่เคยทิ้งผมไปไหนเลยเธออยู่ที่นั่นเสมอเมื่อผมต้องการเธอไม่รู้ว่าผมลืมเธอนานมานานแค่ไหนแล้วแต่ว่าจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นอีกกับผม ผมจะรักและดูแลเธอให้มากที่สุดให้เท่ากับที่เธอรักและดูแลผมมาตลอดเวลาเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้เพนอย่าลืมนะคนที่รักเราจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยเราเคยเห็นคุณค่าเห็นค่าของเธอบ้างหรือเปล่า หรือมววแต่ไปวิ่งหาข้างนอกแล้วลืมถึงคุณค่าของสิ่งที่โยมมีเธอนั้นมีค่ามากแค่ไหนต้องลองถามคนที่ไม่เคยมีเธอสิอาตมาจะให้เขามาเล่าให้ฟังคนที่จะมาเล่าให้ฟังนั้นเป็นเด็กจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทุ่งมาหาเมฆ แล้วก็อีกที่หนึ่งน่าจะเป็นบ้านเมตตาหรือไงเนี่ยอาตมาตจาไม่ค่อยได้แม่นเท่าไหร่อาตมาตเล่าให้ฟังคนไม่ซึ้งใจเท่ากับเขาเขาเล่าให้โยมฟังเองหรอกแล้วลองมาดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาอยากได้อย่างที่เรามีแต่ว่าเขาไม่ได้เขามีความรู้สึกอย่างไรและเขาอยากจะฝากอะไรบอกให้โยมๆได้รู้ บอกให้โยมได้โยมโย ม, โยมได้ถามบ้างอา่าวลองฟังความเห็นของเขาสักนิดหนึ่งโยมนั่งตัวตรงนั่งคัตมา ต, ตัวตรงเปลี่ยนท่านั่งได้นะถ้าปวดขาอา่นั่งคัตมาตนั่งตัวตรงนิดหนึ่งอา่านะอา่าวลองฟังดู เสี้ยววานของวันวานใจจริงไม่อยากพลากเพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพมิทนทานย่อมร้าวรานสลายไปขอเถิด ถ้าสงสารอย่ากล่าวขานให้ช้ำใจคนแก่ชะแรแไวผิดเพลอไพลเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาธร ให้กินและให้นอนคลายทุกข์ผ่อนพอสุขใจเมื่อยามเจ้าโกรธขึ้นให้นึกถึงเมื่อเยาวไวัยร้องไห้ ย, ยามป่วยไข้ได้ใครเล่า เฝ้าปลอบปรนเฝ้าเลี้ยงจนเติบใหญ่แม้เหนื่อยกายก็ยอมทนหวังเพียงจะได้ยนเติบโตจนสงางงามต้นไม้ ที่ใกล้ฟังข อ, ขอไปขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกทุกยามใจแท้มีแต่ความหวังติดตามช่วยหวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฟัง มีหรือหวังอยู่นานได้สักวันคงล้มไปทิ้งฝังไว้ให้หวังเวงอยากให้โยมลองนึกสิว่า ในขณะที่ท่านยังอยู่กับเรามีอะไรบ้างที่เรายังไม่เคยบอกกับท่านมีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทำให้กับท่านท่านไม่ได้จะอยู่กับเราตลอดหรอกนะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้ทำให้ท่านได้บอกกับท่านก็ทตาย อยากให้โยมช่วยเขียนให้สักนิดหนึ่งว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่โยมจะได้มีโอกาสพบกับท่านโยมอยากจะบอกอะไรท่านบ้างและแม้จะไม่ใช่วันสุดท้ายตั้งแต่วันนี้ต่อไปโยมตั้งใจจะทำอะไรให้กับท่านบ้างเพื่อตอบแทนสิ่งที่ท่านทำให้เรามาตลอด เดี๋ยวให้โยมช่วยเขียนด้วยเขียนออกมาให้หมดตั้งต้นด้วยว่าต่อไปนี้ผมหรือหนูจะทำอะไรบ้างเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะบอกอะไรก่อนสิ่งที่เราอยากบอกคุณพ่อคุณแม่และอย่างที่สองจะทำอะไรเพื่อท่านบ้างนับตั้งแต่วันนี้ต่อไป บอกอะไรกับท่านบ้างเขียนออกมาให้หมดเลยนะและตั้งใจจะทำอะไรเพื่อท่านบ้างให้โยมเขียนออกมาเป็นเหมือนสิ่งที่เราตั้งใจจริงๆคิดไว้ในใจไม่มีประโยชน์นะนะเขียนออกมาเลย เขียนออกมาเท่าที่เราเึกได้นะเขียนออกมาให้ละเอียดมีอะไรบ้างที่เราจะทำให้ท่านมีอะไรบ้างที่เราจะทำเพื่อท่านเขียนมันออกมาจากใจของเราเนี่แหละนะ เขียนออกมาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะนึกได้นะยังไงช่วยเขียนออกมาด้วยเขียนออกมาให้ละเอียดเลยนะในสิ่งที่เราจะทมเพื่อท่านในสิ่งที่เราจะทมให้กับท่านอย่าเขียนสั้นๆนะสั้นๆนะจะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ จะบอกกับท่านว่าอะไรต่อไปนี้เราจะทำอะไรเพื่อท่านบ้างในเมื่อเรามีโอกาสแล้วใช้โอกาสนี้ซะเขียนออกมาให้หมดนะ จเจริญพรก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาน ะ, จะเจริญพรอาตมามีพระสวดพระสูวดหนึ่งเป็นพระสูวดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัส ก, กับพระภิกษุเกี่ยวกับเรื่องของพระคุณของพ่อแม่และการตอบแทนก็เลยอยากเอามาเล่าให้กับโยมฟังสักนิดหนึ่งพระสวดนี้กล่าวไว้ว่าดูกนภิกษุทั้งหลายพุทธพึงประคับประคองมารดา ด้วยปาข้างหนึ่งพึงประคับประคองบิดาด้วยปาข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิน่นการนวดการให้อาบน้ำและการตัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบาทั้งสองของเขานั่นแหละ ดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแกมารดาบิตาเลยยมว่าจริงไหมที่พระพุทธองค์ตรัสลองนึกถึงซิตอนสมัยเราเด็กๆแปบบอกเรากินที่ไหนเราเดินไปไหนมาไหนเองไม่ได้เราอาศัยใครแบกพาไปใครเป็นคนนวดตัวเราให้ให้กับเรา ใครเป็นคนคอยอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้กับเราไม่ว่าเราจะร้องแค่ไหนเราจะงองแงแค่ไหนเขากับทำให้เราด้วยความเต็มใจมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำให้กับเราเวลาเราถ่ายอุจระปัสสะเราถ่ายลงมาที่ตรงไหนท่านเคยรังเกียจบ้างไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะพ่อแม่ทำให้กับเรามาก่อน โดยไม่เดือดรังเกียจ เ, เลยกลับเต็มไปด้วยความรักมีความสุขที่ได้ทำให้กับเราแล้วเราล่ะได้ทำอะไรให้กับท่านบ้างเราละ่ะรู้สึกไม่ชอบรู้สึกรังเกียจถ่สิ่งที่ท่านเป็นอยู่หรือเปล่าฝากยมไปคิดตัวนิดหนึ่งจากประศุน์นี้ในประสุ์นี้ตรัสต่อไปว่า ดูกนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามานดาปิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสระทิปัต์ในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนเจ็ดประการมากหลายนี้การกระทากิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทาแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแกมานดาปิดาเลยแม้ว่าให้เมืองใหญ่ให้ทรัพสมบัติทั้งเมืองกับท่าน มีรัตนะอันวิเศษเจประการเป็นต้นท่านบอกว่านั่นยังไม่ชื่อว่าให้มีอิ่งสิ่งมีค่าตอบแทนท่านเพราะสิ่งที่ท่านให้เรามานั้นมีค่ามากกว่านั้นจริงหรือไม่จริงท่านให้อะไรมาให้ร่างกายนี้จะลองดูไหมว่ามีค่ามากเท่าไหร่ถ้าตมาขอซื้อลูกตาทั้งสองข้างของโยมโยมจะขายด้วยราคาเท่าไหร่ สิบล้านร้อยล้า น, านหมื่นล้านยอมขายไหมถ้ายอมขายขอซื้อต่อขอซื้อแก้วหูทั้งสองข้างตาบอดหูหนวกด้วยยยมต้องการเงินสักเท่าไหร่ถ้ายังยอมขายขอซื้อแขนซื้อขาทั้งสองข้างถ้ายอมขายขอตัดลิ้นขอซื้อลิ้นและขอซื้อจมูกที่เอาไว้รับลมรับรู้กลิ่น ไม่มีใครยอมขายหรอกไม่ว่าจะมูลค่ามากแค่ไหนก็าตามสิ่งนี้มีค่ามากมายมหาศาลใช่หรือไม่ท่านถึงบอกว่าต่อให้ยกเมืองทั้งเมืองเอาสมบัติทั้งเมืองมอบให้ท่านยังมีค่าไม่เท่ากับสิ่งที่ท่านให้เรามาหรอกเราเคเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ไหมสิ่งที่มีค่าที่ท่านให้เรามา แล้วทำอย่างไรล่ะที่เชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณของท่านพระพุทธเจ้าตรัสต่อว่าข้อนั้นเพราะเหตุใเพระมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายให้เราตั้งแต่ร่างกายนี้ให้อาหารให้ความรักให้การดูแลเอาใจใส่ ให้ความหงหุดหงิให้คำปลอบโยนให้อภัยและเป็นที่พึ่งให้กับเราตลอดยมลองคิดดูสิเคยเห็นแมมคนเป็นอัมาพาตเด็กที่เป็นอัมาพาตหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นที่ประสบอุบัติเหตุนอนแมอบู่กับเตียงมีแฟนสักกี่คนมาดูแลตลอด แต่ใครที่ดูแลตลอดตัวที่ไม่ได้เ ก, กรงเกลื่อนงอนเลยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมนั่นแหละให้เรามาตลอดและพร้อมที่จะให้ด้วยความเต็มใจด้วยความสุขท่านเึงบอกว่าเราให้แค่ไหนก็ไม่เท่ากับที่คุณพ่อคุณแม่ให้เราเพรากพระพุทธเจ้าท่านตรัสต่ออีกว่าส่วนบุตรคนใด ยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให <ım> ้สัมผัทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้สมาทานตั้งมั่นในจากะสัมปทายังมารดาบิดาสามปัญญา ให้สมท า, านตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและทำตอบแทนแล้วแกมารดาบิดาเพราะอะไรถ้าว่าโดยในทางรูปธรรมทั้งหลายรวงไปถึงนมามธรรมสิ่งที่เราจะให้ตอบแทนท่านเนี่ย ไม่มีอะไรเทียบได้เลยแต่สิ่งที่เป็นนมามธรรมที่สูงขึ้นไปกว่านั้นคือลูกคนไหนทำให้พ่อแม่มีความเชื่อเรื่มใสศรัทธาตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีได้ต่อให้ลูกคนนั้นต้องจากไปสิ่งลานั้นจะยังคงอยู่ในใจของพ่อแม่ไปตลอดใช่หรือไม่ใช่จิตใจท่านย่อมผ่องใสเต็มเปลี่ยนไปเตยคความดีงามและก็มีความสุข และสิ่งนั้นไม่ใช่ตอนขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นแม้ท่านจากไปด้วยจิตใจที่เรื่อมใสศรัทธาในคุณงามความดีเหล่านี้ท่านก็ย่อมได้รับผลที่ดีหรือไปกําเนิดในภพภูมิที่ดีถ้าท่านยังไม่สิ้นกิเลสพระพุทธเจ้าทั้งๆบอกว่าลูกคนใดที่ช่วยให้พ่อแม่เกิดศรัทธาเรื่อมใสในคุณงามความดีตั้งมั่นในคุณงามความดีได้ลูกคนนั้นชื่อว่าได้ตอบแทนพระขนทาน ในเรื่องของสีนั้นหมายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีงามลูกคนใดช่วยให้พ่อแม่นั้นเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่ดีงามผลที่เกิดขึ้นย่อมเกิดผลดีกับคุณพ่อคุณแม่เองแม้ขณะยังมีชีวิตอยู่คนรอบข้างย่อมดูแลเอาใจใส่ย่อมมีความรักเพืออาทรในตัวท่านใช่หรือไม่ใช่แม้เราจากไปสิ่งเหล่า น, นี้ก็จะคงอยู่กับท่านไปตลอดแม้ในขณะที่ท่านจะละจากโลกนี้ไป ท่านประกอบแต่คุณงามความดีสิ่งที่ดีงามคุณงามความดีของท่านนี้ย่อมส่งผลให้ท่านได้รับภพอุปบุญที่ดีนี่จึงชื่อว่าลูกได้ตอบแทนพระคุณท่านเพราะให้สิ่งที่เป็นอมตะและจะอยู่กับท่านไปตลอดพ่อแม่ยังตรหนีที่เหนียวยังหวงของยังยึด ต, ติดอยู่ลูกคนใดช่วยให้พ่อแม่คลายจากความยึด ต, ติดมีความสุขจากการให้การบริจาคได เวลาให้ไปคนที่ได้รับย่อมมีความรักในผู้ที่ให้ใช่ไม่ใช่ขนาดเดียวกันเป็นการขัดเกลาจิตใจของท่านด้วยทําให้การยึดติดกับวัตถุสิ่งของของท่านมีน้อยลงต่อไปถ้าท่านต้องเสียวัตถุสิ่งของท่านกระทุกน้อยแต่ยิ่งถ้าท่านมีจิตใจเสียสละว่าอา้าวถ้าเสียไปเขาได้ประโยชน์ก็ยิ่งดีคราวนี้จิตใจท่านกับมีความสุขแล้อิ่มเบิกขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่เป็นการเสียสละหรือการให้หรือท่านเสียสวัตถุสิ่งของ นี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นอ ม, มตะที่จะอยู่กระจายท่านไปตลอดแม้ในขณะที่จะจากโลกนี้ไปท่านนึกถึงความเสียสละที่ท่านได้ทำใจท่านย่อมอิมเอิบผ่องใสเบิกบานปราเพิ่มเป็นบุญเป็นกุศลท่านย่อมได้รับภพอุปบุญที่ดีงามความเสียสละอีกอย่างก็คือเสียสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของคุณพ่อคุณแม่ลูกคนใดช่วยให้พ่อแม่สละสิ่งที่ไม่ดีงานที่อยู่ในจิตใจออกไปได้ ลูกคน น, นนั้นได้ชื่อว่าตอบแทนพระคุณของพ่อแม่พ่อแม่คิดมักโกรธลูกคนใดช่วยให้พ่อแม่เป็นคนที่มีเมตตาได้หายจากความโกรธพ่อแม่นั้นมักโลภอยากได้ของคนอื่นช่วยให้ท่านมีความเสียสละพ่อแม่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจช่วยให้พ่อแม่มีปัญญาถ้าสละความไม่ดีงามในจิตใจอย่างนี้ออกไปได้ด้วยก็ยิ่งเป็นการตอบแทนพระคุณของท่าน เพราะท่านจะยิ่งมีความสุขอยู่ทุกครั้งอยู่ทุกวันไม่เหมือนวัตถุใช่ไหมวัตถุได้มามีเสียไปแต่สิ่งเหล่านี้ยิ่งท่านทํายิ่งงอกงามยิ่งเจริญในจิตใจของท่านท่านยิ่งมีความสุขและสุดท้ายพ่อแม่ไม่มีปัญญายังมองว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเขาตัวเราก็ยังถูกกระทบกระทั่งติดยึดอยู่ลูกคนใดให้พ่อแม่เกิดปัญญารู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งต่างๆของชั่วคราวนะ ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปการที่ใจเราเข้าไปจับยึดนะั้นยิ่งทำให้ทุกข์ทำให้ท่านคลายจากการจับยึดอย่างนี้ออกไปได้คราวนี้ใจพ่อแม่เป็นยังไงมีความสุขผ่องใสเต็มเปลี่ยนไปด้วยบุญกุศลและความดีงามมากขึ้นเท่านั้นใช่หรือไม่จิตใจท่านยิ่งเต็มเปี่ยนไปด้วยบุญกุศลด้วยความดีงามอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้นยิ่งจะติดตัวท่านไปยิ่งถ้าพ่อแม่และกิเลสได้หมด เป็นพระอาหารหันต์หรือแม้แต่กระทั่งเป็นเพียงแค่พระโสดาบันนั่นเรียกว่าได้ให้สิ่งที่มีค่าและเป็นอมตะมากที่สุดให้กับคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่จะติดตัวท่านไปตลอดพระพุทธเจ้าท่านทึงบอกไว้ว่าลูกคนใดช่วยให้พ่อแม่เกิดปัญญาละกิเลสเหล่านี้ได้มองเห็นความจริงของชีวิตลูกคนนั้นเชื่อว่าได้ให้สิ่งที่เป็นอมตะได้ให้สิ่งที่มีค่าสูงสุดให้กับพ่อแม่ จึงได้ชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นอาตมาสรุปอย่างสั้นๆอย่างนี้ว่าถ้าโยมอยากจะตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ในแง่ของภายในช่วยให้พ่อแม่เกิดศรัทธาตั้งมั่นอยู่ในศีลมีความเสียสละคุจากะแล้วก็เกิดปัญญาคลายจากความที่ติดถือมั่นเป็นใจที่เป็นอิสระหลุดพ้น นี่แหละชีว่าลูกได้ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่แล้ววัตถุสิ่งของภายนอกยังไม่สําคัญเท่าสิ่งนี้นะแต่ยงก็อย่าละเลยวัตถุสิ่งของภายนอกด้วยพ่อแม่เลี้ยงเรามาให้เราเลี้ยงดูท่านตอบแทนเป็นน้ําใจของเราไม่ใช่เป็นหน้าที่อย่าทําพราะมันเป็นภาระแต่ทำเพราะเป็นการบูชาเป็นธรรมเพราะว่าเราอยากจะให้เพราะนึกถึงสิ่งดีๆที่ท่านเคยให้กับเรามา ท่านเหนื่อยมามากแล้วมีกิจการงานหน้าที่อะไรช่วยท่านหน่อยอายุท่านก็มากแล้วใช่ไม่ใช่ช่วยท่านทำกิจการงานหน้าที่อย่างที่สามเป็นด้านจิตใจนะทำตัวให้เพ่งตัวเองได้ให้ท่านมั่นใจว่าเราจะสามารถรักษาวงตระกูลได้แล้วก็เป็นคนดีของสังคมต่อไปเอานอกจากนั้นได้ทรยบสมบัติมารู้จักจัดรู้จักแบ่ง รู้จักหารู้จักใช้ให้เหมาะสมท่านจะได้มั่นใจว่าทรัพย์สมบัติมระดับที่ให้ลูกนั้นจะไม่สูญเปล่าลูกจะเอาไปใช้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นทั้งต่อตอนเองและสังคมท่านย่อมเกิดความภาคภูมิใจแม้ท่านจากไปแล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นี่แหละเป็นสิ่งที่ลูกๆพึงทําให้กับคุณพ่อคุณแม่แต่สี่ข้อแรกนั้นสําคัญจะยากเกินไปไหม ถ้าตกตอนเย็นนะอ้าวมาชวนคุณพ่อคุณแม่ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันน้อมใจท่านให้อยู่กับสิ่งที่ดีงามอยู่กับคุณงามความดีอาวันนี้เราจะทำสิ่งที่ดีงามคืออะไรบ้างตอนเชา้าอ้าวบอกคุณพ่อคุณแม่ใช่มกลับมาไหว้พระสวดมนต์แล้วเล่าให้ท่านฟังวันนี้เราทำสิ่งที่ดีงามอะไรบ้างท่านจะได้ภูมิใจในตัวของเรา แล้วคุณพ่อคุณแม่ทำสิ่งที่ดีงามอะไรบ้างเราก็อย่าลืมชื่นชื่นชมท่านชื่นชมเสร็จเรียบร้อยแล้วกราบท่านกราบท่านว่ารูกภูมิใจมากที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่มีศรัทธาตั้งมัน่นมีความเรื่มใสในคุณงามความดีอย่างนี้กราบขอบคุณท่านด้วยที่ทําให้เราได้มีโอกาสทําสิ่งที่ดีงามมีความเรื่อมใสศรัทธาเช่นนี้ยากเกินไปไหมคงไม่ยากเกินไปนะ ตอนเช้าก่อนออกจากบ้านสมาทานศีลด้วยกันสิพ่อแม่ลูกสมาทานศีลด้วยกันเลยเอา้าวันนี้เราจะตั้งใจรักษาศีลกันนะเราจะไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายอะไรที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้เราจะช่วยอย่างเต็มที่ตั้งใจตั้งใจเสร็จแล้วกว่อนออกจากบ้านให้กําลังใจพ่อแม่ทําให้สําเร็จนะลูกก็จะทําเช่นเดียวกันตอนเย็นกลับมาไหว้พระสวดมนต์ จิตใจเริ่มใสเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วเอาเล่าให้กันฟังสิ่งที่ดีงามที่ทาในวันนั้นสีนที่เรารักษาได้แล้วก็จะืมชื่นชมท่านภูมิใจจังที่มีพ่อแม่เป็นผู้มีศิลอย่างนี้กราบขอบคุณท่านเราเล่าให้ท่านฟังแล้วกราบขอบคุณท่านที่ท่านทำให้เราได้มีโอกาสรักษาสีนประกอบสิ่งที่ดีงามอย่างนี้คงไม่ยากเกินไปนะตอนเช้า อาลองตั้งใจซิ่งวันนี้เราจะทําอะไรเพื่อตอบแทนให้กับประชาชนให้กับคนที่ให้โอกาสเราหรือช่วยเหลือเกื้อวกับคนผู้อื่นบ้างสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจวันนี้อะไรบ้างที่เราจะไม่ให้เกิดที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทําให้ได้ชวนกันทํากับคุณพ่อคุณแม่ตกเกย็นมานั่งทบ้เถืนกันวันนี้เราให้ได้ให้อะไรกับใครบ้างให้แล้วเขารู้สึกยังไงเขาดีใจยังไงเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง แล้วคุณพ่อคุณแม่ละ่ะได้ให้อะไรกับใครบ้างให้คําสอนให้คําแนะนําให้คําตักเตือนหรือแม่กระทั้งให้อภัยไม่ใช่เพียงแค่ให้สิ่งของชื่นชมท่านภูมิใจจังมีคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้ําใจเสียสละอย่างนี้ขอบคุณท่านด้วยที่ท่านทําให้เรามีโอกาสได้พัฒนาตัวเองได้มีความเสียสละแล้วก็ได้ช่วยเหอผู้อื่นอย่างนี้สิ่งที่ไม่ดีที่เราละได้ในวันนี้มีอะไรบอกให้ท่านฟัง สิ่งที่ไม่ดีที่พ่อแม่รับได้ในวันนี้ที่มาวานทำอยู่มีอะไรบ้างก็ให้ท่านเล่าให้เราฟังท่านเล่าให้เราฟังแล้วอย่าลืมกราบท่านด้วยความชื่นชมในสิ่งที่ดีงามที่ท่านทำแล้วขอบคุณท่านที่ทำให้เราได้ทำสิ่งที่ดีงามเหล่านี้คงไม่ยากเกินไปนะมีเวลาว่างแทนที่จะดูหนังฟังเพลงชวนกันสิมาฟังธรรมเอาเรื่องธรรมะน่มาเป็นหัวข้อสนทนา แทนที่จะไปเอาเรื่อง ค, น น, คนนู้ น, นคนนี้นิ น, นทาคนนั้นนินทาคนนี้จิตใจก็เศร้าหมองไปเปล่าเรื่องการเมืองก็ไม่ต้องเอามาคุยแล้วเอาเรื่องธรรมนี่แหละมาคุยดีกว่าจิตใจได้ผ่องใสดีงามเราจะได้แง่มุมต่างๆคุณพ่อคุณแม่ได้ประโยชน์ได้ปัญญาด้วยเราได้ปัญญาด้วยดีขึ้นไปกว่านั้นชวนการปฏิบัติธรรมเลยเอามาสังเกตสีสิ่งต่างๆมันเกินดับยังไงนะใจมันเข้าไปจับยึดตอนไหนมันจะละออกมาได้อย่างไร หรือแม่กระทั่งวันหยุดแทนที่จะไปเที่ยวชวนกันไปปฏิบัติธรรมสิคงไม่ยากเกินไปนะอาตมาเล่าให้ฟังอย่างนี้โยมบางท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยบอกไปพ่อแม่ก็ไม่ทำหรอกอา้าวมีเทคนิคแค่นิดหนึ่งถ้าพ่อแม่ไม่ทำเทคนิคนี้ นะมีโยมท่านหนึ่งที่เคยมากรรมาฐานใต้บทเมื่อวานมาผลดีลืมเล่าเรื่องของคนนี้ไปเมื่อวานนี้วันนี้เอามาเล่าเอามาเล่าให้โยมฟังนิดหนึ่งอลองดูนะว่ามีมว่าอย่างไรโยมท่านเนี้ยแม่ป่วยหนักเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายละเข้าไปดูแลคุณแม่ตลอดคนนี้พออาการหนักมากขึ้นคนนี้เริ่มควบคุมการขับถ่ายไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งลูกชายกําลังอยู่ดูแลเนีแ่แหละแล้วแม่ถ่ายออกมา แม่ก็ไม่ยอมบอกลูกแม่เป็นผู้หญิงแล้วเป็นลูกชายจะต้องมาเช็ดมาล้างให้ก็ไม่อยากให้ลูกทำเกรงใจลูกกลัวลูกจะลาบากจนกระทั่งกลิ่นมันออกลูกรู้เข้าพบพลิกตัวแม่ดูก็เลยรูก้ก็เลยต้องถอดแล้วก็เช็ดทาล้างทำความสะอาดแม่ตอนนั้นแม่ก็พยายามตื่นรู้ว่าลาบากใจมากที่ลูกจะต้องมาทำให้กับเธอ เหตุกาหลังจากวันนั้นคือแม่คุณแม่ท่านนี้กินอาหารน้อยลงน้อยลงหรือแทบไม่กินเลยลูกก็แปลกใจหมอก็แปลกใจเอ้กินอาหารไม่ลงอาหารไม่ชอบหรือทําไมไม่ยาม ก, กินจนมาตอนหลังถึงทราบว่าไม่อยากกินเพราะว่าไม่อยากขับถ่ายออกมากลัวลูกจะต้องมาดูแลจะต้องมาเช็ดมาล้างให้กับเธอเพราะเธอไม่สามารถลุกขึ้นข้ามห้องน้ำมันได้ตัวได้ด้วยตัวเองของเธอเองลูกชายทราบอย่างนี้เขาบอกกับแม่ว่ายัางไง ร, รู้ไหม แม่แม่กินให้เต็มที่เถอะกินแล้วถ้าอยากถ่ายถาออกมาขอให้ลูกได้มีโอกาสได้ทําบุญด้วยการล้างตัวให้แม่บ้างขอให้ลูกได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณของคุณแม่บ้างเถอะขอให้ลูกได้มีความสุขที่ลูกได้ทําสิ่งเหล่านี้ให้กับแม่บ้างเถอะยอมเป็นแม่รู้สึกยังไง ถ้าหลังจากนั้นเธอก็เลยกินเต็มที่เลยสบายใจแล้วนะลูกก็กลับมีความสุขใช่ไม่ใช่ยมจะใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะถ้าพ่อแม่ไม่ทำบอกกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ลูกได้ฟังทำมานะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้ขอให้ลูกได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ให้โอกาสลูกหน่อยนะ ช่วยให้ลูกได้ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ได้สําเร็จหน่อยอย่างน้อยทําร่วมกันมีความสุขในการทําร่วมกันมีศรัทธามีศีลมีจาระมีปัญญาคงไม่ยากเกินไปนะชวนพ่อแม่มาวัดบางทีพ่อแม่ไม่มาถ้าบอกว่ามาฟังธรรมมาเป็นเพื่อนลูกหน่อยยิงถ้าเป็นลูกสาวเนี่สบายเลยใช่ไหมเป็นผู้หญิงมาคนเดียวบางทีกลัวเหมือนกันนะขาไปขากลับเนี่ยนะเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นมามาเป็นเพื่อนหน่อย นี่ก็ชักจูงท่านทำมาได้แล้วใช่ไหมกลับไปบ้านเราจะทําไม่มีใครทําเป็นเพื่อนเดี๋ยวจะขี้เกียจทํามาชวนท่านมาทําเป็นเพื่อนพ่อแม่มีความรักในตัวลูกอยู่แล้วทําไมจะไม่ทําล่ะแรกๆอาจจะไม่ได้ชอบหรือเห็นคุณค่าแต่ทําไปทําไปเกิดความสุขท่านก็จะผูกอะไรเอ่ยความรักการดูแลเอาใจใส่ความสัมพันธ์ความรักที่ลูกมีต่อเธอหรือต่อเขากับสิ่งที่กําลังทา ต่อไปเป็นยังไงยากทําเองคิดถึงลูกขึ้นมาก็อยากทํากิจกรรมที่เคยทํากับลูกแล้วกิจกรรมนั้นเป็นเรื่องของศรัทธาศีลใจข้าปัญญาท่านก็ย่อมตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาศีลใจข้าปัญญามีโยมท่านหนึ่งนะเล่าให้ฟังบอกปกติพ่อไม่ยอมใส่บาตรไม่ยอมทําบุญก็เลยแนะนำโยมบอกว่าให้ทําด้วยกันและบอกว่าเนี่ยทุกครั้งที่ตังบาตรเนี่ยก็เหมือนกับลูกฝาตตักบาตรต่อมาลูกไปอินเดียนะ ไปจาฤทธด้วยกันพ่อตื่นเช้าขึ้นมาคิดตักบาตรทุกวันแล้วพอคิดถึงลกูกแล้วเพรตักทุกวันทุกวันคือนิสายเป็นความเคยชินเออตักบาตรก็มีความสุขนะรู้สึกว่าได้ทําให้กับลูกเห็นไหมนี่คือน้อมจิตน้อมใจเข้ามาได้ละเหมือนกันเพื่อนายโยมพยายามผูกตรงนี้พ่อแม่นั้นรักเราอยู่แล้วผูกความรักของพ่อแม่เข้ากับสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ นั่นแหละโยมกระดังช่วยชักจูงจิตใจท่านพฤติกรรมท่านและก็ปัญญาท่านให้เกิดขึ้นให้อยู่กับความดีงามต่อไปเราไปต่างจังหวัดท่านนึกถึงเราท่านก็จะทำสิ่งที่ดีงามทำสิ่งที่ดีงามใจท่านมีความสุขนึกถึงลูกใจก็มีความสุขด้วยครั้งนี้ยิ่งดีครับให่ใหญ่คงไม่ยากเกินไปใช่ไหมเพราะอาตมาไม่ได้ร้องขอให้โยมเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเสียเวลาสักวันละครึ่งชั่วโมง หรือหนึ่งชงั่วโมงคงไม่มากเกินไปนะสำหรับเราที่เป็นลูกๆทุกๆคนนึกถึงสิ่งที่ท่านให้เรามาเพียงแค่นี้อาตมาคิดว่าทุกคนคงทำได้ใช่หรือไม่อ้าวถ้าตั้งใจจะทำอย่างนี้แล้วขอให้โยมเริ่มต้นจากตัวของโยมเองก่อนนะอ้าวให้โยมลุกขึ้นนะลุกขึ้นด้วยกันเลย ค่อยๆลุกนะค่อยลุกนะอ้าวขยับขาสักนิดหนึ่งนะขยับขาสักนิดหนึ่งขยับขาสักนิดหนึ่งค่อยๆลุกนะช้าๆไม่ต้องรีบอ้าวขยับข้งขยับขานิดหนึ่งอ่านะเราตั้งใจทำสิ่งที่ดีงามให้เรานึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงคุณงามความดีทั้งหลายที่เราได้ทำหายใจเข้าช้าๆลึกๆ ย, วยาวๆหายใจเข้า สดชื่นเบิกบานมีความสุขหายใจออกสดชื่นเบิกบานมีความสุขให้รู้สึกถึงความสุขความดีงามในจิตใจของเรานะเราจะได้มอบความสุขความดีงามนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นให้ยมนึกถึงคุณงามความดีที่เราได้ทํามาทั้งหมดนึกถึงความสุขที่เราเคยได้รับจากความดีงาม รู้สึกถึงความสุขเหมือนแสงสว่างอยู่ในใจเออบาบอยู่ทั่วร่างกายรู้สึกถึงความดีงามที่เต็มปี่ยมอยู่ในจิตใจของเราเมื่มมมยยมอรู้สึกถึงความสุขความดีงามแล้วให้ยมยิ้มออกมาอย่างมีความสุขด้วยยิ้มออกมาเลยนะยิ้มออกมายิ้มออกมาแล้วรู้สึกถึงความสุขในใจของเรารู้สึกถึงความดีงามในใจของเราเดี๋ยวเราจะได้มอบความสุขความดีงามนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ ด้วยการแผ่เมตตาออกไปให้กับท่านทำใจให้สงบให้ยิ้มออกมาด้วยความสุขตั้งใจไว้เรามีความสุขรู้สึกถึงความสุขความดีงามที่เต็มเปี่มในใจของเรา ความสุขที่เอา๋ยาพาอยู่ทั่วร่างกายของเรายิ้มอย่างมีความสุขตั้งใจไว้เรามีความสุขเรามีความสุข รักษาใจที่เต็มเปลี่ยนไปได้วยความสุขความดีงามนี้ไว้นะหลังจากนั้นโยมนั่งลงนั่งลงแล้วก็นั่งขัดมา ต, ตัวตรงตั้งใจไว้เรามีความสุขตั้งใจต่อนั่งขัดมาธนะนั่งขัดสมาธสบายๆแบบนั่งสมาธิรับตารู้สึกถึงความสุขความดีงามในใจของเราต่อ ตั้งใจไว้เรามีความสุขรู้สึกใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความดีงามความสุขเหมือนแสงสว่างรู้สึกถึงแสงสว่างแห่งความสุขเออปราบอยู่ทั่วร่างกายของเราแสงสว่างแห่งความดีงามเออปราบอยู่ทั่วร่างกายของเรารู้สึกถึงความสุขความดีงามไว้อย่างนั้นตั้งใจไว้เรามีความสุข เรามีความสุขเรามีความสุข ควมสุขเหมือนแสงสว่างให้โยมแผ่ความสุขความดีงามนี้ไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจไว้ใจของพ่อแม่เหมือนใจของโยมในขณะนี้ใจรู้สึกอย่างไรให้ตั้งใจรู้สึกว่าใจของพ่อแม่เหมือนใจของเราใจของคุณพ่อคุณแม่กําลังอิ่มเ อ, อิบผองใสเบิกบานมีความสุขเหมือนใจของโยม โยมอยากให้พ่อแม่ยิ้มอย่างไรให้โยมยิ้มออกมาอย่างนั้นเลยรู้สึกว่ารอยยิ้มของเราเหมือนรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่ท่านกำลังยิ้มอย่างมีความสุขเหมือนอย่างที่เรายิ้มให้โยมตั้งใจไว้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขคุณพ่อคุณแม่มีความสุขโยมอยากให้ท่านยิ้มอย่างไรให้โยมยิ้มออกมาอย่างนั้น รอยยิ้มของโยมเหมือนรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่จิตใจของเราตอนนี้เหมือนจิตใจของคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจไว้รู้สึกถึงใจของคุณพ่อคุณแม่กําลังอิ่มเออพองใสเบิกบานมีความสุขท่านกําลังยิ้มอย่างภาคภูมิใจในสิ่งที่ดีงามที่เรากําลังทำในคุณงามความดีที่เราได้ทำมา ในคุญคุศนในจิตเมตตาที่เราแผ่ไปให้ท่านยมตั้งใจไว้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขคุณพ่อคุณแม่มีความสุขคุณพ่อคุณแม่มีความสุข ตั้งใจนึกถึงสิ่งที่เราเขียนที่เราจะทําให้คุณพ่อคุณแม่ขอให้โยมตั้งใจตั้งใจในที่คืออธิษฐานจิตว่าเราจะทําสิ่งเหล่านั้นให้ประสบความสําเร็จรู้สึกว่าเราจะได้ทําสิ่งเหล่านั้นให้ประสบความสําเร็จตั้งใจมั่นให้แน่วแน่ต่อไปนี้สิ่งที่ดีๆงามเหล่านั้นเราจะทําให้สําเร็จให้กับคุณพ่อคุณแม่ ยมตั้งใจไว้นึกถึงคุณงามความดีสิ่งที่ดีงามที่เราจะทําเพื่อคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจมั่นเราทําท่าต่อไปนี้เราจะทําแต่สิ่งเหล่านั้นให้คุณพ่อคุณแม่ได้ภาคภูมิใจให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีความสุขยมตั้งใจมั่นเอาไว้อธิษฐานจิตเอาไว้ตั้งใจมั่นว่าเราจะทําแต่สิ่งที่ดีงามเหล่านั้นเพื่อคุณพ่อคุณแม่ ควาสุกความดีงามเหมือนแสงสว่างให้โยมแผ่ความสุขนี้ออกไปให้กับทุกๆกคนให้กับเทวดามารพรมและสรรพสัตว์ทั้งหลายรู้สึกถึงทุกขนแห่งเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขความดีงามทุกขนแห่งมีรอยยิ้มเหมือนรอยยิ้มของเราในตอนนี้ทุกทุกขนแห่งสว่างสวายเต็มเปลี่ยนไปด้วยแสงสว่างแห่งความสุขความดีงาม สรพสัตทั้งหลายกําลังยิ้มอย่างมีความสุขเทวดามารพรมทั้งหลายกําลังยิ้มอย่างมีความสุขจิตใจของท่านเหล่านั้นเหมือนใจของเราในตอนนี้รู้สึกถึงแสงสว่างแห่งความสุขแผ่ออกไปทั่วไม่มีประมาณทุกคนแห่งเต็มเปลี่ยนไปได้วยความสุขความดีงามตั้งใจไว้เทวดามานพรมสัพสัตว์ทั้งหลายมีความสุข เทว ด, ดามารพรมตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุข หายใจเข้าเรามีความสุขหายใจออกเรามีความสุขหายใจเข้าเรามีความสุขหายใจออกเรามีความสุข ใจิตใจอันดีงามของทุกๆคนด้วยนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้อยู่แค่ใจิตใจอย่างที่บอกแล้วว่ามันไม่พออะตมาขอโอกาสนิดหนึ่งโยมสี่แถวหน้าช่วยลกขึ้นนิดหนึ่งนะแล้วก็ช่วยขยับไปที่ด้านหลังโยมท่านใดที่มากับคุณพ่อคุณแม่ขอเชิญมาด้านหน้าคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่แถวที่หนึ่งลูกนั่งอยู่แถวที่สองคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่แถวที่สามลูกนั่งอยู่แถวที่สี่ ขอเชิญตอนนี้เลยนะขอรบกวนโยมด้านหน้านิดหนึ่งนะสี่แถวนะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเชิญมานั่งเลยนะคุณพ่อคุณแม่นั่งแถวที่หนึ่งลูกๆนั่งแถวที่สองคุณพ่อคุณแม่นั่งแถวที่สามลูกๆนั่งแถวที่สี่อ้าวเชิญเลยะเชิญมาข้างหน้าตรงนี้เลยนอ้าวโยมอยู่ข้างหลังเดี๋ยวจะได้ร่วมอนุโมทนาด้วยนะ คุณแม่คุณพ่อคุณแม่นั่งแถวที่หนึ่งกับแถวที่สามนั่นเลือกเอานะลูกนั่งเราไปแถวแถวที่สองนะจะได้พอพอไหมที่นั่งพอไหมอ้าวเชิญเลยเชิญเลยนะอ้าวคุณพ่อคุณแม่นั่งแถวที่สามลูกนั่งแถวที่สี่ถัดไปนะอ้าวขอเชิญเลยนะขอเชิญเลย อา้าวถ้าไม่พอขอแถวที่ห้ากับแถวที่หกด้วยนะช่วยขยับให้นิดหนึ่งนะ ช, นานางนะช่วยขึ้นมานั่งให้เต็มด้วยนะช่วยขึ้นมานั่งให้เต็มด้วยอ้าวขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนะโยมที่ที่อยู่ด้านหลังเดี๋ยวจะเพิ่งกลับนะเดี๋ยวจะได้ร่วมอนุโถทนาด้วยนะจะได้ร่วมอนุโมทนาด้วยนะจะเร็นพออ้าวขึ้นมาเลยนะเรียบร้อยไม่เอ่ย เรียบร้อยไม่เอ่ยขย็บที่นั่งขึ้นมาก็ได้นะเขย็บที่นั่งขึ้นมาก็ได้จัดเลยนะจัดที่นั่งเลยจัดที่นั่งเลยอ้าวเชิญเลยเชิญเลยนะเชิญเลยแล้วถ้าเป็นคนพ่อคุณแม่เชิญเลยนะเชิญเลยเอาก็อี้ยกกลับอี้มาก็ได้นะหรือว่าจะนั่งที่ตรงที่เดิมนั้นก็ได้อ้าวเรียบร้อยแล้วนะพร้อมนะพร้อมทุกคนนะอ้าวถ้าพร้อมแล้วขอให้ลูกๆกราบไปที่ตักของคุณพ่อคุณแม่ กราบเลยตอนนี้นกราบเลยนะอ้าวกราบไปที่ตาของคุณพ่อคุณแม่อ้าวกราบเสร็จแล้วเอาดอกเอาพวงมาลัยมอบให้ท่านนะเอาพวงมาลัยมอบให้ท่านเลยเอามอบให้ท่านเลยนะมอบให้ร่วมกันเลยนะคุณพ่อรับด้วยอ่ามอบให้ร่วมกันอ้าวและยังไม่เสร็จนะมอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วช่วยหยิบกระดาษสีขึ้นมาด้วย เรามีอะไรอยากจะขอโทษท่านบ้างขอโทษท่านตอนนี้เลยขออภัยท่านตอนนี้เลยนะเอา้าวอ่านให้ท่านฟังเลยขอให้บอกออกมาอย่างจริงใจนะบอกท่านเลยนะอา้าวไปหยิบกระดาษมาเลยไปหยิบกระดาษมา อยากจะขอโทษท่านเรื่องอะไรบ้างนะนะถ้าใครอ่านเสร็จขอโทษแล้วให้เข้าไปกราบขอโทษท่านเลยนะครันนี้แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่จะอาภาัยให้ลูกหรือเปล่าถ้าอาภาัยก็บอกลูกด้วย เอาลูกสาวอ่านให้ฟังเลยสิจ๊ะอ่านเลยอ่านเองเ่าเข้าไปกราบท่านเลยเอาพ่อแม่ถ้าจะให้อภัยลูกก็บอกลูกด้วยนะบอกลูกด้วยนะอ่าถ้าใครขอโทษเสร็จแล้วอ่านสิว่าอยากขอบคุณท่านเรื่องอะไรบ้างนะ เอาอ่านหน่อยอ่านด้วยนะกระดาษสีขาวเอามาอ่านหลังจากขอโทษเสร็จแล้ว อย่าลืมอ่านนะอยากขอบคุณท่านเรื่องอะไรบ้างอ่านให้ฟังดังๆเลยอ่าถ้าอ่านเสร็จแล้วกราบขอบคุณที่ตักท่านอีกครั้งหนึ่งกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ คข้อนี้อ่านด้วยต่อไปจะทําอะไรเพื่อท่านบ้างนะอา่านด้วยนะต่อไปจะทําอะไรเพื่อท่านบ้างสัญญากับท่านว่าต่อไปจะทําอะไรเพื่อท่านนะอ้าวอย่าเพิ่งลุกนะยังไม่จบกิจกรรมนะอา่านด้วยต่อไปจะทําอะไรเพื่อท่านบ้าง ถ้าใครอ่านจบแล้วกราบท่านหนึ่งครั้งแล้วเข้าไปกอดท่านด้วยนะไปกราบท่านเข้าไปกอดเอาคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมกอดลูกด้วยนะกอดยังถ่ายทอดความสุขถ่ายทอดความรักให้กับเค้านะกอดให้แน่นๆเลยนะถ่ายทอดความสุขถ่ายทอดความรักให้กับเค้าอ่าวกอดนะต้องกอดให้ทุกคนนะถ้าใครยังอ่านไม่จบยังไม่ต้องกอดนะ อ่านให้จบก่อนอ่านให้จบก่อนอ่านให้ท่านฟังให้จบก่อนอ้าวเจริญพรอ้าวอย่าลืมเข้าไปกอดท่านด้วยนะกลับเกาะกอดถอดคุณท่านด้วยเอ้าวและส่วสนโยมที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มาในวันนี้หวังว่าคงไม่รักโอกาสอันดีนี้นะเป็นตัวอย่างให้โยมเห็นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกมีความสุขทุกคนอะไร ว, วันนี้ก็ได้นะพวงมาลัยที่มอบให้นี่เอาไว้บูชาคุณงามความดีในใจของโยม โยมจะได้เอาไปบูชาคุณงามความดีที่คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นพระอรหันต์ของโยมที่อยู่ที่บ้านให้กับทุกทุกคนเพราะฉะนั้นโยมที่นั่งอยู่ข้างหลังช่วยลุกขึ้นยืนด้วยหันไปร อ, รอบๆข้างทุกคนที่อยู่รอบข้างนี่เป็นคนดีไหมเอ่ยลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยถ้าเป็นผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงขอให้ก่อดและบวยพรเขาให้ทําสําเร็จในสิ่งที่เขาตั้งใจจะทําให้คุณพ่อคุณแม่เอาเชิญเลยไม่รู้จักกันไม่เป็นไรนั่นแหละเราจะได้รู้จักกัน อ้าวกรอดเลยนะกรอดเลยนะผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแค่จับมือกันอ้าวเดินไปให้ครบทุกๆคนเลยนะเดินไปให้ทุกๆครบทุกคนเลยอ้าวคุณพ่อคุณแม่ลุกขึ้นด้วยกับลูกสาวลุกขึ้นด้วยอ้าวกรอกันแล้วก็อวยพรให้ทําสิ่งที่ดีงามเหล่านี้สําเร็จะลุกขึ้นด้วยลุกขึ้นด้วยนะอ้าวกรอกันเลยกอดกันเลยนะแล้วให้ทําให้สําเร็จนะ อ้าวจเจริญพรนะ <S <S อ้าวแล้วอ้าวล่ะเรามีความสุขกันดีแล้วจิตใจเราดีงามสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวขอเชิญโยมนั่งประจําที่เดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันแผ่เมตตาแผ่ความสุขความดีงามเหล่านี้ออกไปให้กับสรรพสัตว์ร่วมกันนะเพราะฉะนั้นโยมอย่าลืมนะกลับไปบ้านอ่านให้ท่านฟังด้วยนะ เป็นตัวอย่างให้ดูแล้ววันนี้นะอ้าวลำดับต่อไปเดี๋ยวเราก็ช่วยกันแผ่ความสุขความดีงามออกไปให้กับสรรพสัตว์แล้วก็ทุกๆคนนะตลอดจนเทวดามารพรมทั้งหลายนะอ้าวจเจริญพร